เดี๋ยววันนี้จะอธิบายในเรื่องของให้เข้าใจในเรื่องของสาระให้ชัดแล้วก็เรื่องการเข้าถึงการนอ บ, น, อบน้อมเนี่ยเพราะว่าวันนี้นั่งรถไปบินนาบาตก็เล ย, เอยสอนธนาในเรื่องเนี่ยก็ททำให้ได้มุมเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย บางครั้งเราเกิดจากการที่เราไม่ได้ทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ชัดเนี่ยไปๆมาๆก็เลยกลายเป็นเราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าถึงคุณของสาระความหรือคุณของพระราะนตรยได้นะ ตรงนี้ก็คือว่าอยากจะให้ทำความเข้าใจในเรื่องคำว่าเวลาเราจะสวดมนต์กันแต่ละครั้งเราก็จะท่องว่านโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะใช่ไหมเออในความหมายกับความสำคัญเนี่ยนโมเนี่ยนัมมะเนี่ยคือการนอบน้อมมาจากคำว่านโมทาต องคธรรมองค์ธรรมโดยตรงเนี่ยของณโมเนี่ยที่แปลว่านอบน้อมเนี่ยพระนราสภะผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีสาสิทัศนับพบนับชาติไม่ถ่วนได้เสด็จมาดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพ ร, พ, พระนรศาสภะผู้ประเสริฐพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวเป็นนิษเนี่ยคำว่านอบน้อมเนี่ยที่คำว่าคําว่าณโมตัสสะภควะโตเป็นต้นเหล่านี้ อันนี้เป็นภาษาที่บ่งบอกถึงการนอบน้อมทีนี้การนอบน้อมเนี่ยคาว่านมุเนี่ยนมุหรือนโมเนี่ยองธรรมได้แก่อะไรต้องคารงองธรรมองธรรมของคาว่านโมเนี่ยได้แก่อะไรฮะอ้าวมีคนบอกมาคนหนึ่งแล้วว่าศรัทธา แล้วยังมีอีกไหมบอกคำว่า น, น้าโมกันนอบน้อมเนี่ยองทาได้แก่อะไรถ้าโดยตรงนะได้แก่มหากุศลจิตตุบาบาทเดีย๋ยวไม่เข้าใจได้แก่มหากุศลและจิต ได้แ ก, มก่มหากุสลมหากุสลเนี่ยก็คือเป็นจิตที่ฉลาดนี่แหละกุศละเนี่ยนะเป็นจิตที่ใหญ่เป็นจิตที่ฉลาดทีนี้มหากุสลเนี่ยเป็นจิตที่ให้ผลเป็นสุขนะเป็นจิตที่ไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุขนะม ห, มหากุศลเข้ามมหากุสลเนี่ยที่มีอะไร ที่มีศรัทธาที่มีเจตนาและที่มีปัญญาเป็นประธานนั้นคว่าเวลาเราท่องวันนะโมใช่ไหมนะโมเนี่ยทีนี้มหากุศลเนี่ยก็แปลว่าจิตที่ไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุขคำว่ามหากุุลเนี่ยเป็นจิตที่ไม่มีโทษด้วยจิตที่ไม่มีโทษจิตที่ไม่มีโรคจิตที่ไม่มีของเสีย จิตที่เป็นไปกับความสุขจิตที่เป็นไปกับความฌานฉลาดนี่เขาเรียกมหากรุศล <c oughs> ทีนี้นอกจากจิตที่ไม่มีโทษและจิตและให้ผลเป็นความสุขแล้วยังสามารถให้ผลเกิดขึ้นมากกว่าตนให้ผลเกิดขึ้นมากกว่าตนทั้งเป็นเบื้องต้นของฌานอภินยาวิปัสสนามรกผลด้วยนี่เป็นขนาดนั้นนะมหากุศล เ, ah เนี่ย มหากุศลก็เลยแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่ประกอบไปด้วยปัญญากับส่วนที่ไม่ประกอบไปด้วยปัญญาส่วนที่เป็นสมนัตกับส่วนที่เป็นอุเบกขาส่วนที่มีการชักชวนและไม่มีการชักชวนนี <g ül üyor> ่ไงก็แบ่งเป็นเท่าไหร่สามคู่หนึ่งประกอบด้วยปัญญากับสองไม่ประกอบด้วยปัญญาก็มีนั้นเป็นกุศลที่ไม่มีปัญญาประกอบก็ได้มีปัญญาประกอบก็ได้แต่ก็เป็นจิตที่ไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุข ถ้าไม่มีปัญญาประกอบก็หมายความว่าในขณะที่เกิดขึ้นมานั้นน่ยมันมีไม่มีโทษจริงเป็นจิตที่ไม่มีโทษเป็นจิตที่ไม่มีโรคเป็นจิตที่แข็งแรงตั้งมั่นเป็นไปกับสมาธิเป็นไปกับสติได้ด้วยและก็ในขณะเดียวกันก็เป็นจิตที่ไม่มีของเสียสะอาดเอี่ยมองผ่องแผ้วด้วยและเป็นจิตที่เป็นไปกับความสุขด้วยแต่ในขณะนั้นน่ยไม่ชานฉ SI ลาดไม่ชานฉลาดถึงขนาดเข้าไปเจาะทะลุทะลวงรู้เหตุรู้ผลรู้กรรมผลของกรรมเนี่ย รูสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําทั้งหลายเรื่อนี้ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าหาปัญญาประกอบปุ๊บมันจะเกิดขึ้นด้วยปัญญาเกิดด้วยความชาญฉลาดไปพิจารณาเรื่องเหตุเรื่องผลเป็นต้นเหล่านี้เข้ามาประกอบฉะนั้นบางครั้งเนี่ยกุศลเกิดขึ้นแต่ไม่มีปัญญาประกอบก็มีไม่ใช่ไม่อาจจะเกิดขึ้นด้วยความชํานาญก็ได้ด้วยความชํานาญที่เกิดจนคล่องแคล่วแต่ปัญญาไม่เกิดก็มีก็ได้ใช่ไหมแล้วบางครั้งก็เป็นไปกับสมนัตบางครั้งก็เป็นไปกับอุเบกขา บางครั้งก็รู้สึกโอ้โหปล่าปลื้มเย็นดีมากบางครั้งก็สงบเย็นแต่ก็เป็นไปกับความสุขบางครั้งต้องอาศัยปัจจัยกระตุ้นต้องอาศัยการกระตุ้นชักชวนชักนำบางครั้งก็เกิดขึ้นเองมีกำลังเองในการที่จะปารบเองเลยเน่กระตุ้นเตือนชักนาเองได้เลยนี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้นัทีนี้ ไอตัวที่บอกว่ามีเจตนาเนี่ยเป็นเหตุถึงการนอบน้อมก็คือเจตจํานงเนี่ย น, ยนะนามติก็แปลว่าย่อมนอบน้อมเนี่ยหมายถึงว่ากิริยานอบน้อมโดยตรงถามว่าไอกิริยาที่มีการนอบน้อมยกมือนอบน้อมทำการราชกายให้นอบน้อมเปล่งวาจานอบน้อมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสภาพจิตใจที่มีการนอบน้อมเนี่ยถามว่า กิริยาที่นอบน้อมโดยตรงเนี่ยหมายถึงอะไรอะไรเป็นตัวนอบน้อมที่แท้จริงก็คือได้แก่มหากุศลมหากุศลที่มีศรัทธาที่มีเจตนาและปัญญาเป็นประธานซึ่งเกิดขึ้นก่อนกิริยาที่นอบน้อมใช่ไหม ไม่มีทำงานพร้อมกับศรัทธาพร้อมกับสติตัวแต่ไม่มีปัญญาประกอบอ๋อไม่ต้องตัดก็ไม่ต้องไปตัดคือมันอย่างนี้คือ <c oughs> <c oughs> คือต้องดูว่าบางครั้งเวลาจะเวลาจะจะจะนอบน้อมพระเจ้าเนี่ยบางครั้งต้องอาศัยอาศัยปัจจัยภายนอกกระตุน้นเตือนต้องอาศัยสังขารต้องอาศการกระตุน้นเตือนต้องอาศัยการชักนำอาจจะมีคนกล่าวเออไปไหว้พระกันไปกราบพระกันเนี่ยนี่มันี่มีแรงกระตุน้นเตือนชักเนืองแต่ แต่ถ้าหากเป็นอสังขาริกเนี่ยปารลบขึ้นเองเลยขึ้นเกิดขึ้นจากภายในตนเองเกิดขึ้นจากความรู้ความเข้าใจแล้วก็ปารลบมีความตั้งใจเลยว่าตนเองจะต้องไปนอบน้อมพระพุทธเจ้าไปบูชาพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นโดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกมากระตุนต้นเตือนโดยไม่ต้องอาศัยเสียงโฆษณาโดยไม่ต้องอาศัยสีเสียงกินรถภายนอกมากระตุน้นเตือนเลยมันปารลบมันมีพลังเกิดขึ้นจากข้างในมันมีฉันทะ มันมีเจตนามันมีศรัทธามันมีปัญญาในการปรารบลึกถึงคุณเบเ็ดเสร็จก็กระตุ้นเตือนตัวเองขึ้นไปในการที่จะปรารบเพ้อเพ้อชวนคนอื่นเลยนี่กุศลประเภทนี้มีกําลังการทําบาปก็เป็นกันเหมือนกันนะชักชวนคนอื่นทําบาปก็มีกําลังเราเป็นเพศประเภทไหนประเภทที่กระตุ้นเตือนตัวเองได้หรือว่าโดยมากจะต้องอาศัยปัจจัยภายนอกกระตุน้นถ้าเป็นประเภทไหนยำนองเป็นประเภทไหน อันไหนมากกว่ากันยิงเล่อไม่ต้องอาศัยกระตุ้นเลย อ, อ, อย่างนี้มีกําลังมีปัญญาเด่นก็คือไม่ต้องเนี่ยคนบางคนจะมีพลังตัวนี้ค่อนข้างแรงมากจะอาศัยครั้งแรกเท่านั้นเองครั้งแรกพอ ร, รู้ปุ๊บเนี่ยด้วยการที่ปารล บ, บ่อยๆมีเจต จ, จานงบ่อยๆมีศรัทธาบ่อ ย, อยมีปัญญาบ่อ ย, อยเนี่ยเป็นแรงกระตุน้น ก, กระตุ้นกระตุ้นเลยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆาๆๆ้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆลๆๆๆๆๆรๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆ แต่บางคนนี่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกกระตุ้นขนาดกระตุ้นหลายรอบยังไม่ค่อยลุกเลยเคยเป็นไหมต้องอาศัยกระตุ้นแล้วต้องหวานล้อมต้องใช้คำพูดดีๆด้วยเนะถ้างั้นไม่ไปอีกเคยเป็นไหมต้องพูดพอๆอะไรอย่างงั้นถ้างั้นไม่ไปอีกวิเป็นงั้นไหมงั้นเวลาจเจริญกุศลเวลาจะปลารบในการจเจริญกุศลเนี่ยปึกเป็นอาสังการิกแล้วจะเป็นคนที่ อาศัยเหตุปัจจัยในการกระตุ้นค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างนอยนั้นการฝึกตนเองให้เป็นอาสังขาริกเนี่ยสําคัญมากหมายถึงความดีนะแต่ถ้าเป็นความชั่วนี่ต้องระวังคนไปได้กั น, ก น, นต้องระวังเยอะป่าลบเองเนอะโหแข็งแรงเองคิดเองวางแผนเองเนี่โหน่หน้านหําเป็นหอันนี้เหมือนกันคนที่เป็นอาสังขาริกในด้านกุศล น, น, นี่วางแผนผูบ๊บผู้บ บ, บคิดเองกุศลประเภทนี้มีกําลังมาก ทีนี้ที่ก็าบอกว่าศรัทธาเจตนาและปัญญาเนี่ยเป็นประธานซึ่งเกิดขึ้นก่อนกิริยาที่นอบน้อมโดยพรูปรจาระก็คือว่าสํานวนที่กล่าวถึงผลได้มุ่งหมายถึงเหตุผลก็คือกิริยาที่นอบน้อมใช่ไหมผลก็คือกิริยาที่นอบน้อมเหตุคือ กุศลจิตหรือมหากุศลแจิตที่มีศรัทธาที่มีเจตนาที่มีปัญญาที่อยู่เบื้องหลังเป็นตัวผักดันให้นอบน้อมพอเราบอกว่าย่อมนอบน้อมกิริยาที่นอบน้อมอาการที่นอบน้อมเนี่ยโดยตรงจริงๆเนี่ยเขาขับเน้นไปตัวมหากุศลที่มีศรัทธาเจตนาและปัญญาที่อยู่เบื้องหลังนั้นเหมือนกรณีแห่งการเปล่งวาจาบอกคณะโมตัสะพระคาวะโตอารหะโตเนี่ยกิริยาที่เปล่งวาจามากิริยาที่กราบ นอบน้อมออกมาเนี่ยนะเนี่ยกริยาที่นอบน้อมออกมาเนี่ยอันนั้นหมายถึงตัวพูดถึงว่าเออท่านผู้นี้ไปบอกไปนอบน้อมพระพุทธเจ้ากริยาที่นอบน้อมออกมานี่เป็นเป็นผลเหตุเหตุที่เป็นตัวผลักดันให้การนอบน้อมเกิดขึ้นจริงๆนั้นคือมหากุสลนทีนี้ในมหากุศลนั้นก็ยังต้องแยกว่า ต้องมีเจตจํานงมีความจงใจมีความตั้งใจนั่นเป็นประธานแล้วก็มีศรัทธาคือความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของบ ร, รัตนาไตรนั่นเป็นประธานและวจะชัดลึกลงไปก็คือมีปัญญาคือความรอบรู้และความเข้าใจในคุณของพระรัตนตรัยอย่างท่องแท้อันนั้นเป็นประธานด้วยเห็นไหมมหากุศลเป็นประธานจริงอยู่แต่ในเจาะลงไปว่าในมหากุศลมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่มีตัวผลักดันที่แรงที่สุด ก็บอกเจตนาไงคอยจัดแจงให้ศรัทธาทําหน้าที่อย่างไงให้ปัญญาทําหน้าที่อย่างไรให้สติทําหน้าที่เพราะพูดถึงตัวเจตนาตัวศรัทธาตัวปัญญาเนี่ยก็หมายความว่าพูดองค์รวมองค์ประกอบในนามธรรมเหล่านั้นทั้งหมดด้วยนะไม่ใช่แค่ศรัทธาอย่างเดียวนะมีความเพียรด้วยมีสติด้วยมีสมาธิด้วยใช่ไหมมีความไม่โลภมีความไม่โกรธ ด, ด้วยนะ มีสภาพของวิตกวิจารทั้งหลายเหล่านี้มีสภาวัาคุณธรรมทั้งหลายมีทั้งเวทนาขันสัญญาขันสังขารขั น, ขนวิญญาณขันนั่นแหละองค์รวมองค์ประกอบที่เป็นตัวกลุ่มนามธรรมทั้งหลายที่เป็นตัวผลักดันให้กิริยาในการนอบนอ บ, น อ, บออกมาเกิดขึ้นมาได้ผลักดันให้มีการเปล่งวาจาออกมาได้ผลักดันให้มีกิริยาในการที่ฝึกฝนในการที่จะประพฤติปฏิบัติ ทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้เป็นไปกับการนอบน้อมพระผู้มีพภาคเจ้าในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเป็นต้นเกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็คือกิริยาที่นอบน้อมเนี่ยเป็นผลเหตุคือมหากุศลที่เกิดก่อนกิริยาที่นอบน้อมนั้นนี่คําว่านามุทาตนามติอีกความหมายหนึ่งก็คือว่านามุทาตน่ะเอตายติเอตายะก็หมายถึงว่าเจตนาที่เป็นเหตุถึงการนอบน้อมอันนี้เป็นการนาสาธารณนะ เป็นข้อความที่ปรากฏโดยพระอุปจาระก็คือผลก็คือกิริยาที่นอบน้อมของบุคคลเหตุนี้หมายถึงมหากรุสจิตวาที่มีศรัทธาเจตนาและปัญญาเป็นฐานซึ่งเกิดก่อนกิริยาที่นอบน้อมนี้บอกถึงว่าเออบุคคลนี้นอบน้อมบุคคลนี้ไปไหว้พระบุคคลนี้ไปเอาดอกไม้มาบุคคลนี้มีการกราบแบบเบญจางคประดิษบุคคลนี้มีการเปล่งวาจาในการกล่าวนะโมตัสสะเป็นต้นเหล่านี้อันนี้เป็นการกล่าวแต่ตัว ตัวการกระทาตัวเหตุจริงๆการนสาธารณะตัวเหตุเห็นว่นเราบอกโอ้เราเห็นว่าเราเห็นวิวเดินถือดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้พระเห็นบุคคลใช่ไหมแต่ตัวการนสาธารณะก็คือตัวเหตุจริงๆไปตัวเห็นวิวเดินไปไหว้พระไปบูชาพระอันนี้เป็นผลผลุจประจานนี่เป็นผลใช่ไหมเป็นผล ส่วนตัวกิริยานั่นเองกิริยาของวิวที่เดินไปว่าไปไหว้พระกิริยาของวิวที่ไปสวดม น, นกิริยาของเจ้าวิวไปถือดอกไม้เดินไปไหว้พระกิริยาที่เดินไปของบุคคลหรือของเจ้าวิวนั้นเป็นผลแต่เหตุที่เป็นตัวขับเคลื่อนจริงๆหมายถึงตัวมหากรุสที่อยู่ในใจของวิวเขาเนี่ยที่มีศรัทธาที่มีปัญญาที่มีเจตนาเป็นประธานซึ่งเกิดก่อนกิริยาที่เดินไป เ, เกิดก่อนกิริยาที่จะมีการนอบน้อมเขาต้องมีการผลักดันเกิดก่อนเยอะไหมยเยอะหรือไม่เยอะปัมมาตัวนามธรรมที่เกิดก่อนที่จะไปผลักดันทําให้รูปขันเป็นต้นเหล่าเนี้ยกิริยาการเป็นต้นที่ไปกราบไปไหว้ไปบูชาเนี่ยก็มีปริมาณมากที่คิดไม่ใช่เบอร์อรไปนะแต่หมายถึงเราคิดปรุงแต่งเยอะหมด ว่าเราจะไปไหว้ผ้าเราจะเตรียมดอกไม้อย่างไรจะให้ปริมาณความคิดตรงนั้นแหละนั่นแหละคือเจตนาศรัทธาแล้วก็ปัญญาทีนี้อ่าแต่นี้พิจรารณาดูนะต่อไปไม่ได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่มองไปที่ตัวบุคคลแล้วมองไปที่ตัวสภาวธรรมมหากุศล ญ, ญาณสัมปยุทธ์เนี่ยที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยเป็นประทัดฐานแก่อะไรเป็นเหตุของอะไร ว่ารำถ้ามหากุศลเกิดขึ้นมหากุศลก็เป็นปัจจัยแก่ปลาโมดใช่ไหมเป็นไม่เป็นปราโมดก็คือจิตใจที่ล่าเลิงเบิกบานปราโมดก็เป็นปัจจัยหรือเป็นพัทธฐานแก่ปีติคือความอิ่มใจใช่ไหมปีติก็เป็นปัจจัยแก่ปัสสัต t h คือผ่อนคลายความสงบปัตสัต t h ก็เป็นปัจจัยแก่สุขสมานัทสุขสมานัทก็เป็นปัจจัยแก่สมาธิ สมาธิก็เป็นปัจจัยแก่ปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงก็เป็นปัจจัยแก่ความเบื่อนหน่ายความเบื่อนหน่ายก็เป็นปัจจัยแก่ใครกําหนัดก็คืออริยมรรคอริยผลเป็นต้นเนี่ยถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าก็จะเห็นว่าอ๋อจากการไหว้พระเนี่ยจากการนอบน้อมพระรัตนตรัยเพียงครั้งหรือสองครั้งเนี่ย มันมีปะทะมันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันค่อนข้างมากมายเลยนะถ้าเราเดินกุศลจิตได้จริงๆเนี่ยกุศลที่เกิดขึ้นจากการนอบน้อมพระราชนาตรายเป็นปัจจัยแก่ปราโมดปราโมดก็เป็นปัจจัยแก่ปีติปีติก็เป็นปัจจัยแก่ปัสสธิปัสสธิก็เป็นปัจจัยแก่สุขสมนัตสุขสมนัตก็เป็นปัจจัยแก่สมาธิสมาธิก็เป็นปัจจัยแก่ปัญญาปัญญาเบื้องต้นก็เป็นปัจจัยแก่ความเบื่อหน่ายในสังขาร ความเบื่อหน่ายเป็นปัจจัยแก่การคลายกำหนัดเป็นปัจจัยแก่อริยมรรคเดียผลเป็นต้นเป็นไปตามลาดับเพราะจะมองเห็นไหมอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนในพระวินยัยปิฎกที่กล่าวบอกว่าวินัยเป็นปัจจัยแก่ความแก่อวิปฏิสารคือความไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจก็เลยกลายเป็นปัจจัยแก่ปราโมด เป็นไปปาโมดกับเป็นใจกับปีติปัสสติสุขสมาธิแล้วก็ปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงทีนี้ถามว่ามหากุศลจิตเนี่ยเอามาแยกด้วยความเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะได้ไหมได้ไม่ได้นองแยกดูนะจะได้ไม่เห็นว่าจริงๆอ่ะการที่ไปไหว้พระไปบูชาไปนอบน้อมพระรัตนตรยัยใช่สัตว์บุคคลไปไหว้ไหมหรือเป็นกระแสชีวิต ในมหาคุโสลจิตตัวมหาคุโสลจิตที่เกิดขึ้นเป็นขันอะไรเป็นวิญญาณขันใช่หัหจิตเป็นวิญญาณขันนี่ตัวเจตนาศรัทธาและปัญญานี่เป็นขันอะไรเป็นกลุ่มสังขารละขันเวทนาก็เป็นเวทนาขันสัญญาที่เกิดร่วมก็เป็นสัญญาขัน พอมองเห็นไหมจริงๆก็เกี่ยวกันในเรื่องของขันนั่นเองทีนี้วันนี้ที่จะกล่าวเนี่ยจะกล่าวในเรื่องของการถึงสารณะในที่พูดในพูดเรื่องนี้มาเนี่ยต้องการอยากจะพูดถึงในเรื่องของการถึงสารณะคำว่าสารณะนี่หมายถึงอะไร พุทธังสารนังกัจฉามิทำ ม, มังสารนังกัจฉามิสังขังสารนังกัจฉามิสารณะหมายถึงหมายถึงอะไรสารณะเนี่ยโดยความหมายนี่นะมีอยู่4ี่ความหมายหนึ่งวัทะนันแปลว่าค่าการค่าสารณะนี่นะี่สองคาหะหมายถึงที่พักอาศัย สามรักขิตะสิ่งที่ปกป้องคุ้มครองหรือที่พึ่งแสามนสี่ก็รักขณาการรักษาคุ้มครองได้ได้สี่ความหมายทีนี้สารณะเนี่ยในอัจถ า, าิาท่านแสดงอย่างนี้ท่านบอกว่าชื่อว่าสารณะเพราะอาธจะว่าเบียดเบียน ดีกาก็เลยมาขยายต่อว่าสารณะเบียดเบียนก็คือย่อม น, นาออกไม่ให้เหลือซึ่งภัยและความสะดุง้งความทุกข์เป็นต้นเหล่าเนี้ยเวลาเราเข้าถึงสารณะเนี่ยโดยมากเราจะแปลคําว่าสารณะหมายถึงที่พึ่งใช่ไหมใช่ไหมใช่ยํามโหนเพรนึกถึงสารณะปุ๊บก็นึกถึงเป็นที่พึ่งก่อนอย่างพุท ธ, ธะสารณะธรรมะสารณะสังฆะสารณะเนี่ย หมายถึงเป็นที่พึ่งแต่ว่าถ้าสาารณะแปลว่านาออกอ น, นำอะไรออกนำความไม่มีศรัทธาออกนำความเกียจค้านออกนำความหลงลืมสติออกนำความฟุ้งซ่านออกจากจิตเนี่ยนะแล้วนำความหลงความโง่ออก ให้สรณะคือตัวนี้นะพอนําความไม่มีศรัทธาออกก็เลยกลายเป็นผู้มีศรัทธานําความเกียดค้านออกก็เลยกลายเป็นผู้มีความเพียรนําความหลงลืมสติออกก็กลายเป็นผู้มีสตินําความฟุ้งซ่านออกไปก็กลายเป็นผู้มีสมาธินําความขาวความโง่อง อ, อกก็กลายเป็นคนมีปัญญามองเห็นยังนําความหดหู่ท้อถอยออก กลายเป็นผู้มีความเพียรฉะนั้นสารณะพุทธาสารณะเน้นนำอะไรออกนำกิเลสออกนำความนำภัยออกนำสิ่งที่ไม่ดีออกจากกระแสะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายจึงเรียกว่าสารณะหรืออีกความหมายหนึ่งแปลว่ากําจัดด้วยสารณะแปลว่ากําจัดก็ได้กําจัดตราคะออกกําจัดโทสะออกกําจัดโมหะออก กำจัดความหวาดกลัวความสะดุ้งความหวาดเสียวออกกำจัดทุกขติความทุกความเดือดร้อนออกนี่สาระเป็นอย่างนี้นะมองเห็นหรือยังฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาสวดมนต์มาฟังธรรมะแต่เรากาจัดไอ้กิเลสในใจออกไม่ได้กำจัดความกลัวความสะดุ้งความไม่มีศรัทธาเป็นต้นเหล่านี้นะออกไม่ได้ การถึงสารณะก็ถึงไม่ได้มองเห็นอยังทีนี้ไอค้คำว่าสารณะเนี่ยนึกบอกว่าอะไรเป็นเป็นสิ่งที่สารณะจะต้องกำจัดออกไปคือหนึ่งภัยภัยในวัตฏะภัยในวัตฏะก็คือชาติภัยชร า, าภัยพญาธิภัยมรณะภัยเป็นต้นใช่ไหม ภายในการเวียนว่ายใจเกิดประการต่อมาคือหวาดสะดุ้งความภาวะที่จิตหวาดสะดุ้งความหวาดสะดุ้งแห่งจิตทั้งหลายเหล่านี้อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่สารณะบำจัดออกไปแล้วก็ทุกมีทุกกายทุกใจเลยหรือคําว่าทุกขติความเศร้าหมองทุกทั้งหมดที่นับเนื่องอยู่ในทุกขติภูมิเนี่ยความเศร้าหมองในทุกขติภูมิ หรือที่ทําให้เดือดร้อนนี่แหละสรุปแล้วก็คือว่าพุทธธรรมสังฆเป็นสารณะเพราะเบียดเบียนก็คือกําจัดนําออกซึ่งความกลัวของสัตว์ทั้งหลายโดยที่ยังสัตว์ทั้งหลายที่ให้ประพฤติทางที่เป็นประโยชน์ก็คือว่าพอพุทธเนี่ยก็เลยนําออกใช่ไหมนำสัตว์ทั้งหลายนําสิ่งไม่ดีทั้งหลายเนี่ยให้ออกหรือ นำสัตว์ทั้งหลายให้ออกจากสิ่งที่ไม่รู้มาเข้าสู่ความรู้ออกจากผู้ไม่มีศีลให้มันตั้งอยู่ในศีลไม่มีสมาธิให้มีสมาธิไม่มีปัญญาให้มีปัญญาไปต้นท่านสรุปและสารณะก็เลยเป็นไปนในลักษณะการนำออกด้วยกําจัดด้วยเริ่มเห็นดีอยังเวลาเราจะนับถือหรือจะเข้าถึงสาระเนี่ย พอเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บแล้วมันเริ่มเห็นอะไรขึ้นัหมเห็นอะไรโดยส่วนใหญ่ก็คือว่าเวลาเราไปบูชาพระรัตนตรัยกันเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยสิ่งที่สิ่งที่จะทำให้สาระเศร้าหมองเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยไปเราไม่ค่อยสังเกตกันใช่ไ้ย การถึงสารณาคมของแต่ของเราเราท่านทั้งท่านทั้งหลายเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือเศร้าหมองหรือพองแผ้วอะไรทำให้สารณาเศร้าหมองเขาบอกการถึงตสรสารณคมที่เป็นโลกิยะเนี่ยเศร้าหมองมีผลน้อยก็คือ1อายนะ ก็คือการถึงไตรสานานคมโดยปราศจากปัญญาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าจะปฏิบัติอย่างไรในไตรสถานาคมอันนี้เศ้ามองไหมเศร้ามองทันทีเห็น ไ, ไหมสก็คือสังสยะก็คือการถึงไตรสถานาคมด้วยความเครือบแคลงสงสัยบอกว่าเออการถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ย มันจะได้รับผลจริงหรืออยู่เป็นต้นประการต่อมาก็มิจฉาญาณ น, นะคือการรู้ผิดไทรเคยมีความเชื่อว่าการถึงไตรสรนาคของมันเป็นของของังอ่ะแมงแต่ก่อนถือว่าการถือถึงไตราสารนาคของมันเป็นศักขังและศักดิ์สิทธิ์ไหมเอางี้ตอนบวชเนี่ยตอนบวชเนี่ยตอนเข้าไปบวชใหม่ๆ ม, มีความคิดไหมว่า เวลาเวลาพระที่นั่นสวดเนี่ยที่เราเข้าไปบวชใช่ไหมเรามีความคิดว่าคล้ายๆจะมีมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมันวิ่งเข้ามาตัวเราไหมหรือเรารับพรเนี่ยเวลารับพรเนี่ยเรามีความคิดว่า <c oughs> มันวิ่งมาคุ้มครองเราเลยใช่ไหมคิดอย่างนั้นไหม เวลาเวลาไปฟังพระท่านสวดเนี่ยเราก็ไม่รู้นี่จะไปฟังท่านสวดอะไรใช่ไหมแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมีมีพลังเคยคิดแบบนี้ไหมเอาเวลาท่านวิทย์น้ำมนต์เกินเป็นอยังไงนะเนี่ยเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ก็คือถือว่าขังและศักดิ์สิทธิ์แม่งเป็นไหมมันมีมันมีของขังอย่างไรนั้นไหมอันเนี้ย พระพุทธเจ้านี้มีมี ม, มีมีอะไรศักดิ์สิทธิ์และขังอยู่ในนี้ไหมมีไม่มีเราไหว้พระพุทธพระพุทธเจ้าองค์นี้กับการไปไหว้พระเจดีย์เหมือนกันหรือต่างกันยังไงความรู้สึกต่างไหมเพราะอะไรอ่ะ ตอนนี้ยังต่างอยู่ไหมอะไรเป็นปัจจัยทาให้เราเห็นว่าต่างกันถ้าไปไหว้หลวงพ่อโสธรกับว่าไม่งเคยไหว้หลวงพ่อโสธรนี่ยังกลับไหว้องค์นี้ต่างกันไหมความรู้สึกนไปไหว้ที่พระแก้วที่วัดพระแก้วมรกหลวงพ่อวัพระแก้วไหหลวพระแก้วมรกต กับองค์นี้ต่างไหมที่ต่างน่ะอะไรความศักดิ์สิทธิ์ต่ตางกันยังไม่ในความเข้าใจทุกวันก็ยังมีความเห็นว่าต่างอยู่ไหม <c oughs> น่าชื่นใจจริงๆเวลาเรามิจฉาญานะในการถึงตรัยสรารณรคมโดยการรู้ผิดนับถือตรัยสาธคมอย่างเป็นของขังเข้าใจว่าถึงสาารณะคือการเข้าไปอ้อนวอนร้องขอ ใช่ไหมเราก็ไปปุ๊บเราก็ไปอ้อนวอนไปขอขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตขอให้ได้เจอแต่สิ่งดีๆทั้งหลายเลยเนี่ยเราก็ไปอ้อนวอนร้องขอแบบเนี้ยใช่ไหมอย่างเนี้ยไปเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่น้อยเลยนะที่ความเข้าใจเป็นๆกันอย่างนี้จริงๆใช่ไหมเราก็เป็นไปอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ถูกแนะนําถูกสั่งสอนมาอย่างนี้เลยทีนี้พอไปบอกว่า ไม่ขังความรู้สึกเราก็เลยกลายเป็นอีกอย่างแต่เนี้ยเฮ้ยแล้วเราจะทํำยังไงแต่เนี้มันก็ม่มีไ ม, ม่มีที่พึ่งสิถ้างั้นเรากราบทําไมเนี่ยมันมันมันมันเป็นหัวเลี้ยวหัว ต, ต่อต้องระวังนะบางคนอุ้ยไม่อยากนับถือนะถ้างั้นไม่รู้จะไปกราบทําไมไม่รู้จะไปนอบน้อมทําไมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ตามมาอีกจริงไหมแต่พอหลังจากเอาความไม่รู้ออกไปแล้วพุทธะเนี่ยขจัดความไม่รู้ขจัดความเข่าออกใช่ไหม การที่ว่าคว่าสารณะสารณะเนี่ยสารณะในที่นี้ก็แปลว่ากําจัด่ะกาจัดเอออีกคำหนึ่งคำว่าคัตฉามิแปลว่าอะไรพุทธังสารนังคัตฉามิคัตฉามิเป็นกริยาเนี่ยแปลว่าไปแปลว่าถึงนอกจากจะแปลว่ากริยาที่เขากริยาที่น้อมไปนะกริยาที่เข้าไป ไปนอเข้าไปนอบน้อมเข้าไปกราบไหว้เข้าไปบูชาและยังเป็นว่ากิริยาที่น้อมก็ไปศึกษาเรียนรู้คัจฉ า, ามิเลยแปลว่ารู้และเข้าใจในคุณของพระพุทธเจ้าด้วยนะคําว่าคัจฉามิเนี่ยนั้นเป็นกิริยาที่น้อมไปศึกษาเรียนรู้ให้มีความเข้าใจในคุณของพระพุทธเจ้าว่าธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริง ทีนี้พอเราไปศึกษาเป็นเ ร, รียนรู้คุณของพระเจ้าตามลําดับว่าพระเจ้าเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสคือราคะโทสะโมหะพระเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะตัดสรู้ชอบได้โดยตนเองสามารถประกาศหลักการที่พระองค์ทรงตัดสรู้ให้บุคคลอื่นตัดสรู้ตามได้ด้วยพระเจ้านั้นมีวิชา8จารณะสิพอไปเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นฝึกหมดเลยนะว่าพระเจ้าเป็นพระอรหันต์ เป็นผู้ไกลจากกิเลสข้าพเจ้าก็จะฝึกตนเองเป็นพระอรหันต์ตามพระพุทธเจ้าให้ได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธาตัดสรู้ชอบได้ตนเองข้าพเจ้าก็จะฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพุทธาตามท่านให้ได้พอเข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ปุ๊บความไม่รู้ถูกกำจัดออกไปความไม่เข้าใจถูกกำจัดออกไปความหลงความงมงายถูกกำจัดออกไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการถึงสารณะด้วยการที่พุทธากำจัดความไม่รู้ของเราออกไปแล้ว ธรรมะกำจัดความไม่รู้ของเราออกไปแล้วสังคะสารณะเนี่ยกาจัดความไม่รู้ของเราออกไปแล้วอย่างนี้เราจึงได้เข้าถึงสารณะอย่างแท้จริงพอมองเห็นไหม <c oughs> ยากไหมเกรงไหมพอความรู้เข้ามาแล้วแต่ความเห็นว่าศักดิ์สิทธิ์แบบไม่รู้เรื่องรู้ราวมันหายไปกลังไหมเกรงไหม กลัวไหมต่อไปเราจะกลายเป็นที่เราจะมีศรัทธาที่ถูกต้องต่อพุทธธรรมสังฆะอย่างแท้จริงแต่มันจะไม่ศรัทธาเหมือนเก่าก่อนศรัทธาแบบไม่รู้แต่เป็นศรัทธาแบบเชื่อแบบสนิทแบบเป็นอมูลิกาศรัทธาเชื่อแบบงมงายอ่ะและว้วกลัวความเชื่อแบบงมงายของเราจะหายไปไหมเป็นอาการละวตีศรัทธาเป็นศรัทธาที่มีเหตุและผลแต่ก่อนมันเชื่อแบบไม่เอาเหตุเอาผลน่ะ ปากลงไปเลยใช่ไหมไม่สนใจเราฉันเชื่อของฉันน่ะใครมากระทบความเชื่อของฉันฉันโกรธด้วยนะใครมาหักรานความเชื่อฉันฉันโกรธแล้วกลัวไห้ความเชื่อแบบนี้ของเรามาจะหายไปถ้ากระจัดความเชื่ อ, องนี่หายไปก็กลายเป็นความเชื่อที่เป็นไปกระเหตและผลความเชื่อที่มีความรู้ความเข้าใจกลัวไม่กลัวความเชื่อแบบนี้ อมุกสักครู่กัเลยมาบอกว่าเราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันใช่ไหมว่าทําไมเราเคารพองค์นี้น้อยกว่าหลวงพ่อโสธรเคารพองนี้น้อยกว่าพระแก้วมรกตเคารพอง์นี้น้อยกว่าหลวงพ่อพุทธชินราชเคารพองคนี้น้อยกว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงอ่ะทำไมทําไมเคารพน้อยกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันไหมใช่ไหมเป็นพพุทธเจ้าเหมือนกัน ที่เคารพน้อยกว่าเพราะอะไรเพราะคนไปไหว้น้อยคนมาไหว้น้อยคนรู้รู้คุณค่าองค์นี้น้อยคนไม่ค่อยมากันคนไม่มาจุดโทกคนไม่มีอะไรมาล้ำต่อหน้าไม่มีกิจกรรมมาแรงต่างเราก็เลยศรัทธาน้อยหรึเปล่าใช่ไหมเพราะองค์ประกอบทั้งหลายเหล่านี้มันไม่น่าศรัทธาไม่ไม่อลังการละแต่ถ้าเอาองค์นี้ไปตั้งแล้วก็ทําอลังการละอย่างนั้นเหมือนกันแล้วจะศรัทธาเท่ากัน แสดงว่ามีองค์ประกอบช่วยดีทั้งนั้ น, นแสดงว่าเราเนี่ยเป็นสาสขาลิกมากเลยเริ่มเห็นแล้วแล้วต้องอาศัยองค์ประกอบชักชวนเยอะเลยอะ่ะใช่ไหมบางทีก็ต้องใช้เสียงไหจะต้องใช้บรรยากาศสลืมสลัมืดเคลึ้มมีเสียงมีแรงกระตุ้นมีการวังเวงมีเสียงสวดช่วยใช่ไหม ถ้าแบบเพศที่โดโดๆโนี่ไม่มีอะไรเลยเฉยนี่สสางคาริกมาแล้วเห็นแล้วยังพวกเราต้องนั้นอย่าแปลกใจถ้าเราต้องการอยากจะทำให้ที่ตรงไหนรู้สึกว่าให้คนเข้าไปเยอะก็ทำสถานที่ชักชวนทุกจุดทางทวารตาใช้สีแบบไหนที่จะดูแล้วน่าศรัทธาเสียงประกอบยังไงกลิ่นยังไงรสยังไงสัมผัสยังไงใช่ไหมแล้วก็ข้อมูลอย่างไรในการที่จะกระตุ้นเตือนก็แค่นี้แหละ ทีนี้ถ้าไม่มีพระพุทธรูปเลยมีแต่คําสอนซึ่งเป็นนามธรรมจะไปกันเป็นไหมทีนี้มองไปที่ไหนไม่มีอะไรเลยไม่มีบรรยากาศอะไรเลยต้องคิดเองหมดเลยอยิ่งยิ่งว่าเวใหญ่เลยนะเนี่ยอย่าลืมนะว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วใหม่ๆไม่มีรูปเคารพเลย ไม่มีสั ญ, ญลักษณ์อะไรเลยโอ้โหนะแล้วพอมายุคพยาวโศกก็มีเพียงตราธรรมจักรเนะ่มีเสาอะไรกันนันน่ปักไว้แค่นี้แหละัน้นอย่าลืมนะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็มีแต่รูปขารคเต็มกันไปหมดใช่ไหมโดยแต่อิสลามเขาเขาไม่มีรูปขารคเนี่ยเอานี่เห็นไหมเนี่ย ไม่ด้มีรูปเคารพใดๆเลยแต่ทําไมของเขาแล้วก็ทําลายรูปเคารพด้วยเขากวาดล้างทิ้งหมดเลยพวกรูปเคารพพวกเทวรูปพวกอะไรทั้งหลายไปไหนที่ไหนจับยนน้ำหมดแม้พุทรูปก็พังหมดเอาสิเขาสร้างเขาสร้างจินตนาการของเขาเนี่ยสร้างศรัทธาของเขาขึ้นมาว่ามีพระเจ้ามีองค์เดียวเนี่ยดอนบรรดาเนี่ยโอ้โห ขนาดนั้นเลยนะ้อเขาเนี่ยเี่ยของเราเนี่ยอ่อนแอมากอ่อนแอมากมากเลยเนี่ยแล้วมันมีปัญหาก็คือว่าเข้าไม่ถึงปัญญาดีสตรงนี้เนี่ยลองดูดิเนี่ยถ้าอธิบายเพื่อจะให้เข้าถึงสารณาคมเข้าจริงๆนะเข้าเข้ากายจะวะเหวเ่ า, เาเนี่ใช่ไหมอะไรเราเชื่อมั่นองค์นี้ แล้วท่านจะให้เราเห็นพระพุทธรูปแล้วเห็นสัญลักษณ์แล้วให้ศรัทธาเท่ากันหมดฉันทำไม่ได้เห็นไหมว่าเราถูกปลูกฝังอะไรกันมาแบบนี้จริงๆใช่ไหมเราก็เลยกลายเป็นว่าไปไหว้พระพุทธเจ้าเนี่ย โดยความไม่รู้ทีนี้ประเด็นต่อมาว่าทําไมเราจึงต้องไปไหว้พระธาตุดอยตรงพระธาตุช่อแฮพระชาติแช่แห้งพระชาติลําปางหลวงอะไรก็แต่เนี่ยเราทําไมต้องไปใช่ไหมพระธาตเจดีหลวงเนี่ยทำไมเราต้องไปไหว้ไปไหว้ไปไหว้ไปไหว้เดินไปไหว้เพราะอะไรคือพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าองค์เนี้กระจายอยู่ทั่วโลก ไม่ได้เป็นแท่งเดียวกันเพราะพุทธศาสนาของพุทธเจ้าในองค์ปัจจุบันหรือสั้นมากที่เราต้องไปกราบไปบูชาเพราะเราต้องการอยากไปกราบพระอัฏฐิธาตุพระปรรมสารีเลขาธาตุของพระพุทธเจ้าทุกส่วนตามกําลังบุญของเราที่เรามีความสามารถจะไปได้เห็นไมคนมีบุญน้อยก็ไม่มีโอกาสไหว้เลยแม้แต่สักทิดนหนึ่งแต่อย่างเรามีศักยภาพมีเงินมีความสามารถนี่มีเวลา เราต้องรีบทําเสี ย, สนนยชิ้นส่วนนี้คือพะระเขี้ยวแก้วชิ้นชิ้นส่วนนี้คือพระนราชชิ้นส่วนนี้คือพระอธิธาส่วนไหนส่วนไหนส่วนไหนเนี่ยที่มีอยู่ที่เขาบรรจุไว้ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยถ้าเรามีศักยภาพเราควรไปไหว้ไหมควรไปสักการะควรบูชาควรไปรไประกาศความเป็นพุทธบริษัทต่อต่อหน้าท่านใช่มไหมล่ะพระบรมสารีริกาธาตุก็คือ ถ้าทํานั่นเองใช่ไหมที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสถานที่ควรเห็นควรสักการะควรบูชาเมื่อไปแล้วจะมีสุคติเป็นไปในพบหน้าไปแล้วก็จะไปเจอผู้รู้ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นไประลึกถึงพระคุณของท่านใช่ไหมยิงอยู่อยู่ตรงนี้ก็ระลึกได้แต่เรามีศักยภาพมากกว่า น, นั้นทํำไมไม่ทำํำเราก็ต้องทําสิใช่ไหมสถานที่ประโซ่สถานที่ตัดสรู้สถานที่หมุนกองล้อทำมาจากให้เป็นไปสถานที่เสด็จดับขันธวรรดินิพพาน ที่พระเจ้าไม่ทรงละเว้นพระเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ทรงละเนี่ยเช่นไม่ทรงละเลยว่าจะต้องมาวางขาเตียงตรงเนี้เช่นเชตวันเงี้ยแม้พระเจ้าในอดีตก็ต้องมาวางขาเตียงตรงนี้แหละประทับตรงนี้แหละในการประกาศที่จะเผยแผ่เป็นศูนย์กลางหลักการพระศาสนาแม้พระเจ้าปัจจุบันและอนาคตก็จะต้องมาวางขาเตียงที่ตรงเนี้มันก็น่าไปไหมแบบเนี้ยแล้วก็ควรจะไปสักการะไปบูชาใช่ไหมล่ะ หรืออย่างสังขสศานครเนี่ยเป็นสถานที่ที่พระองค์ถ้าลงจากดาวดึงจะต้องมาตรงนี้แหละมันก็ควรจะไปนะที่ที่พระเจ้าไม่ทรงลาเว้นมีที่ไหนบ้างอะที่ตัสรู้ที่หมุนกงล้อพระธรรมจักรให้เป็นไปแล้วก็ที่ปริณิพานเนี่ยที่สาวถีสังกัสรูอะไรพวกเนี้ยเนี่ยจริงไม่จริงให้ตรงเนี้ย เออ น, นี่มาจากความรู้ความเข้าใจนะไม่ใช่ไปแบบงมงายไปแบบไม่รู้ทีนี้เราก็จะสังเกตดูเวลาไปเนี่ยมันก็จะต่างกันแล้วมนุษย์เวลาไปบูชาเนี่ยไอ้ข้อมูลต่างกันจริงๆริงเยอะแล้วเราไม่เคยพยายามจัดทําข้อมูลให้คนมีความเข้าใจในเรื่องการบูชาพระเจดีเลยนะไม่เคยทําเลยไม่เคยมีเจดีตรงไหนเลยนะที่จะเอ้ยเนี่ยทุกคนเข้าไปมีความรู้เรื่องการบูชาพระเจดีอย่างนี้ ว่พระเจดีเป็นที่ประทับของพระเจ้าอย่างไรและพระเจ้าประทับอยู่ในฐานะเป็นพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยการที่พระบรมสารีริกธาตุประทับอยู่เนี่ยว่าพระเจ้ามาประกาศหลักการศาสนาอย่างไรแล้วเข้าไปแล้วต้องมีความรู้ในการบูชาในเบื้องต้นอย่างไรเมื่อบูชาในเบื้องต้นแล้วการจะได้เข้าถึงสารณคมเนี่ยต่อหน้าพระบรมสารีริกธาตุกับการถึงสารณคมต่อหน้าพระเจ้าเนี่ย ถ้าใจเสมอกันแล้วกุศลแล้วบุญกําลังกุศลได้เท่ากันอย่างไรเนี่ยเ อ, อเราทําได้ไหมเราไปประกาศยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็นาทนาต์ของพระทุทธเจ้าเป็นทาต์ของพระธรรมเป็นทาตของพระริยสองต่อหน้าพระบรมสารีริกธาตุเหมือนเราไปประกาศต่อหน้าพระพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่เลยนะเนี้ยอให้เข้าใจอย่างไงายัางไงาใช่ไหมลราเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะมีพระชนอยู่หรือป ร, รินิพานไปแล้วถ้าศรัทธาเสมอกันแล้วเนี่ยบุญที่ได้เท่ากันเสมอกัน พระเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทมและวินัยที่ทถสาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วทมและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราพอพระพุทธเจ้าปริิพนิพานปุ๊บความรู้สึกของพุทธบริษัท์เหมือนเดิมไหมไม่เหมือนแล้วพระเจ้าบอกว่าพระธรรมวินัยเป็นศาสดา พระเจ้าปาริณิพานธ์เพียงหนึ่งนะแต่พระธรรมวินัย 84% ดหมี่พันพระธรรมขันธ์ก็คือพระบรมศาสดา8ปดหมี่พันองค์จะทํากิจศาสดาแทนเราไม่เข้าใจอันแล้วเข้าใจแบบนี้ไหมพระเจ้าปริณิพันธ์เพียงหนึ่งเดียวเพราะมานอรัตนาเพราะเธอไม่อลัตนาเรานี่ใช่ไหมพระนรไม่อลัตนาเองอะ่ะพระเจ้าทํานิมิตโอภาส16ครั้ง ดูก่อนอานน์นี้เป็นความผิดของเธอเห็นหพระนนเป็นประธานนี่ก็เป็นความผิดของภิกษุด้วยภิกษุณีด้วยอุบาสกอุบาสิกาด้วยทำไมไม่อาราธนาให้พระพุทธเจ้าทรงดำดรงพระชนอยู่หนึ่งกับหรือยิ่งกว่ากับแล้วอันนี้ความผิดของใครก็ความผิดของเรานี่แหละใช่ไหแต่เธออย่าเสียใจนะเนี่ยพอพระพุทธเจ้าเนี่ยรับอาราธนาจากมารปุ๊บ พระพุทธเจ้าปรินิพานเพียงหนึ่งเดียวเนี่ยใช่ไหมปรินิพานไปแล้วแต่พระธรรมวินัยที่ตถาคตสแสดงแล้วบัญญัติแล้วเนี่ย8ปดหมืสี่พันก็เหมือนพระพุทธเจ้า8ปดหมืสี่พันองค์กําลังทํากิจศาสดาอยู่ตอนเนี้ไอ้ตรงนี้แหละมันเห็นได้ด้วยปัญญาเลยนะการที่เห็นพระาศาสดากําลังทํากิจของท่านอยู่ตอนนี้พระธรรมเนี่ยที่เรากําลังศึกษาเรียนรู้กันอยู่เนี่ย ตอนนี้แปลว่าเราได้เข้าใกล้ชิดพระศาสดามั้ยทีนี้บอกว่าหนึ่งตอนนี้เรากำจัดความไม่มีศรัทธาออกได้หรือยังในขณะที่กำจัดความไม่มีศรัทธาออกได้ในขณะนั้นแปลว่าเราพระพุทธเจ้ากาลังเรากำลังเข้าถึงสารณะเพราะสารณะแปลว่าวกำจัดหรือนำออกนำอะไรออกนำความไม่มีศรัทธาออก แล้วทาความให้มีศรัทธาให้เกิดขึ้นเนี่ยนาประโยชน์มาให้คือศรัทธานำความเกียจค้านออกนําความหดหู่ท้อถอยออกทําความเพียใาารให้เกิดขึ้นความกล้าหาญให้เกิดขึ้นทําความหลงลืมสติที่เป็นอกุศลออกแล้วให้มีสติกํากับอยู่กับตัวเกิดขึ้นทําความฟุ้งซ่านลาคาญใจออกทําความตั้งมั่นแห่งจิตเกิดขึ้น กำจัดความไม่รู้นําความไม่รู้ไม่เข้าใจนําความมืดบอดออกทําความรู้ความเข้าใจใเกิดขึ้นตอนเนี้ยเราถึงสาระอัยยังพระเจ้าทํากิจอยู่ยังแต่ถ้าโลกิยะแน่นอนหรือไม่แน่นอนมั่นคงหรือไม่มั่นคงอยู่ที่แต่ละบุคคลมันจะเกิดเป็นระยะระยะระยะได้ไหมฮะในตอนนี้ สาระเนี่ยคำว่ากาำจัดและนำออกอีกชัดได้ยังชัดแล้วนะเรากำจัดความหวาดเสียวความสะดุ้งกลัวเหงจิตของเราออกได้ยังอะไรทำให้เราไม่สามารถกำจัดความกลัวความสะดุง้งความหวาดเสียวออกออกไม่ได้อะไรอะไรเป็นปัจจัยก็ความไม่มีศรัทธาของเราเองใช่ ความไม่ตั้งใจว่าเราจะแล้วแต่ก่อนเราไม่รู้ไม่เข้าใจว่าพุทธเจ้าคืออะไรธรรมะคืออะไรสังขาคืออะไรเราไม่รู้เลยพุทธะธรรมะสังขาเนี่ยเป็นศาสนาอย่างไรเนี่ยพุทธก็คือนําสิ่งที่ไม่ดีออกจากกระแสะชีวิตของเราใช่ไหมแล้วก็ดึงเราให้กลับเข้าสู่สิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลนี่พุทธะธรรมะก็คือทําให้เราพ้นจากกั n d า n คือพบใช่ไหม กำจัดความไม่รู้ความเขาแล้วก็ความทุกข์ติทั้งหลายเนี่ยออกให้กักระแสชีวิตถ้ามองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเออการถึงสารณะเริ่มเริ่มชัดขึ้นแล้วทีนี้พออาญาณนะคือความไม่รู้ถูกทำลายสังสยาคือความสงสัยในคุณของพระราตนาไตรถูกทำลายไปมิจฉาญานะ การถึงไตรสารณาคมโดยความรู้ผิดตอนนี้ถูกทำลายไปเยอะหรือยังเนี่ยการที่ถูกทำลายไปเนี่ยถูกนำออกไปนี่สารณาทั้งนั้นเลยเนะแล้วก็มิจฉาประวตัติแปลว่าอะไรมิจฉาปวัติอะ่ะการถึงไตรสารณาคมโดยการปฏิบัติผิดจากพุทธโอวาทแต่ตอนนี้เรายังปฏิบัติผิดจากพุทธโอวาทอยู่ไหม ปฏิบัติในทางสายศายสตร์ได้สยศาสตร์ยังทำอยู่ไหมยังทำอยู่ไหมแบบสยศ า, <c oughs> าสตร์เข้าทรงเข้าทรงทำนายทายทักการที่เราเชื่อเราไปเชื่อช่วงนี้ดวงดาวโคจรมาอย่างนี้ ใช่ไหมวิถีชีวิตของเราจึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อที่สอบไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเพราะว่า อ, อะไรเพราะอะไรอ่ะที่สอบไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรที่สอบไม่ได้เพราะอะไรวิว เขบอกถ้าการการปฏิบัติที่บอกว่าการปฏิบัติที่ปราศจากกรร ม, มสกตาปัญญาก็คือปัญญาที่เข้าไปรู้ในเรื่องของเหตุและผลกรรมและผลของกรรมแท้จริงเนี่ยมันมาจากนี้ที่เราทำอะไรจะได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่เหตุที่เราทากับผลที่ได้ใช่ไหมมันมีสองอย่างก็คือว่าไอเรื่องการไอกรรมเนี่ยถ้าเข้าใจกรรมให้ชัด เข้าใจคมให้ชัดนะว่าในขณะที่เราขยันในการอ่านหนังสือขยันในการอ่านถามว่าในขณะที่ขยันในการอ่านเนี่ยเหตุคือการอ่านเหตุคือการค้นคว้าผลคืออะไรแต่บางทีเจตนาที่เราตั้งใจจะอ่านเีจตจํานงของเราบางทีมันไม่เป็นกุศลก็มีนะมันเป็นอกุศลก็มีนะ แค่ไหนตรงนี้เราตอนนั้นสภาพจิตเราเป็นยังไงการอ่านหนังสือนี่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเนาะการอ่านหนังสือนี่เป็นกุศลหรืออกุศลเช่นในขณะที่เราตั้งจิตแล้วเราเครียดในขณะอ่านเป็นกุศลหรืออกุศลเห็นไหมจิตมันมีทอจิตเป็นโรคจิตเป็นเป็นของเสียมันไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบแล้วแต่เนี้ยเพราะคุณตั้งเจตนาผิดเองอะ่ะคุณอาจจะอ่านด้วยความเครียดด้วยความกลุ่มก็ได้ แล้วคุณสอบได้เพราะความเครียดความกุ้มก็ได้ใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องกุศลเรืร่องกุศลแล้วตอนี้นีน่นี่คุณเป็นอกุศลกรรมด้วยซ้ำไปตอนนั้นน่ะจิตมีแต่มีจิตเป็นโรคจิตมีของเสียเต็มไปหมดจิตเป็นไปกับความทุกข์ขาดปัญญาด้วยขาดวิจรณญาณที่ดีด้วยไม่มีความสุขใจในการอ่านเลยเครียดตลอดวิตกกังวลตะออกตลอดเลยในขณะที่อ่านไปไม่มีความสุขเลย ไม่อยากรู้ดยซ้ำในเรื่องเนี้ยแต่มันจําเป็นต้องอ่านต้องรู้ไปอย่างนั้นแล้วเพราะจะต้องเอาไปสอบสอบเสร็จทิ้งเลยอะไม่อยากจะให้อยู่กับเราได้ทั้งไปใช่ไหมมันไม่ได้เกิดถูกปลูกฝังจากความเข้าใจว่ามนุษย์มันต้องรู้ศาสตร์เนี้่ต้องรู้ต้องรู้ประวัติศาสตร์ต้องรู้คณิตศาสตร์ต้องรู้เศรษฐศาสตร์ใช่ไหมต้องรู้ภาษาศาสตร์มันต้องรู้เยอะแยะหมดเนี่ย มันต้องรู้เรื่องหลายๆ า, าสตร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไรว่ามนุษย์เกิดมามันจะต้องมีข้อมูลความรู้อย่างนี้และเราก็ต้องชอบที่จะรู้แบบนี้ชอบที่จะค้นคว้าชอบที่จะใส่ใจในการที่เข้าไปรู้พอมีเจตนาเจตจำนงในการที่จะรู้อย่างนี้ขึ้นมาแล้วความสุขมันเกิดเป็นฉันทาใช่ไหยแต่ไม่ถูกปลุกฝังแบบนี้มนุษย์ยถ้าถูกปลกฝังอย่างนี้อะไรไมันอยากรู้รยิงนะ ถึงเวลานั้นมันจะแบ่งงานแบ่งเวลายังไงเป็นต้นเนี่ยนี่เราไม่ได้ถูกปลูกฝังเลยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยแล้วบางอย่างเกลียดก็เกลียดจริงๆเลยนะเหมือนฉันเกลียดภาษาเนี่ยโหไม่เอาเลยเกลียดมากๆเลยโยนทิ้งโยนทิ้งมาจากการเกลียดครูก่อนใช่ไหมเกลียดครูที่สอนภาษาหน้าตาไม่น่ามองล้วก็นพอเปลี่ยนครูไปแล้วเรายังเกลียดภาษาอยู่เลยอะ่ะ ก็ใช่ไงเพราะเราเราเไปยึดถือแล้ะมันฝังไปเลยแล้วนี่มันก็เลยกลายเป็นเกลียดไปเลยไม่เอาอย่างอื่นโอ้โหรู้หมดแต่นี่ไม่เอาเลยเนี่ยจนมานั่งแกะโอ้โหมาแกะมุมตัวเองเอ๊ะเรามายิ้งไงเนี่ยโอ้มาแก่แล้วถึงมาแกะโอ้ตายเราเนี่ยเราเป็นไปได้ยังไงเราไม่ชอบเลยเรื่องภาษาเนี่ยพอเห็นปั๊บโยนทิ้งเห็นปั๊บโยนทิ้งเลยไม่เอาเลย พราถูก บ, งบังคับจะให้ไปอยู่ต่างประเทศแป๊บหนึ่งก็รีบ ม, มาดูดูดูดู ด, ดูดูเพื่อให้เอาตัวรอดเพราะเบเสร็จก็ไปอยู่ตัวรอดได้สี่ห้าเดือนเบสเสร็จกลับมากระทิ้งอีกเงี้ยนะมันทําแค่เอาตัวรอดเท่านั้นเองมันจําใจที่ต้องนั่นเพราะว่าไปเราต้องสื่อสารกับเขาก็เอามาดูหมดที่ตรงไหน ไม่ต้องไปดูหลักวยายกรท่องมาเป็นคำคำคำคำคำคำไปทไมท่องไปเลยแค่เนี้ยเช่นเรื่องมนุษย์เราไม่เห็นจําเป็นเลต้องรู้วิทยกรภาษาไทยไม่รู้วิทยกรก็พูดได้อะไรเงี้ยนึกอย่างเงี้ยนะเราไปพูดเป็นคำคำแล้ว เ, เป็นประโยคประโยคเข้าไปพอเสร็จแล้วก็ทิ้งกลับมาก็ทิ้งอยู่อย่างเงี้ยชีวิตเลยเป็นอย่างเงี้เลยเพราะมันมาจากคำไม่ได้ถูกแนะนําแท้จริงมนุษย์ต้องรู้ไหมไม่ต้องรู้ นี่บอไปปังเขาตอนนี้โอ้โหชักลาบากแล้วถิถ้าอย่างนี้เรารู้ตั้งแต่ที่แรกซะก็สิ้เรื่องไม่มีใครบอกเราไงต้องยอแยกหมดสิ่งที่เราไม่อยากรู้ใช่ไหมเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราเห็นไร้สาละเอามาสอนอะไรกันนี่อย่างนี้เป็นตัวแล้วก็เหมือนพวกวาดภาพวาดอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วไม่ชอบเลยอะไรเนี่ยวันๆไปนั่งอยู่นั่นแหละโอ้โหไม่ชอบจริงแนตะ่วาดอยู่นั่นแหละแกะเราก็ไม่ดู แล้วก็ยังมาถามเราว่าเนี่ยเป็นภาพปริศนาเนี่ยรู้ไหมว่าอะไรเนี่ยโอหอะไรก็อบอกซะตรงๆก็ได้ทำไมต้องมาสร้างปริศนาอะไรใช่ไหมต้องมาวาดปิิศนาอะไรไปอยู่กับคนที่เขามองภาพที่เขาไปซื้อมาแพงๆยอมชื่อยอมอ้วนยอมอ้วนไปอยู่บะไปอยู่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เอาบ้านเขาเป็นที่ปฏิบัตินี่เขาก็ไปซื้อภาพเอของ อาจารย์ถวันหน่อยดัชนีเขาบอกว่าเนี่ยภา้เขาซื้อมาหกแสนนี่ที่เขาใช้เวลาเขียนสิบแปดวินะที่เ <c oughs> ขาวางงั้นนะเนี่ยเ <c oughs> ขาบอกว่าเนี่ย โ, โหสุดยอดมากก็ให้มองท่านมองเขาเราก็ไปนั่งมองกับเขาเขาทิบายใหญ่ว่าดูสิเนี่ยหกแสนบาทซื้ อ, <c oughs> อาจารย์ก็นึกในใจโอ้ให้ฝียังไม่เอาเลยเนี่ยเอามาทําไมเนี่ย ภาพบ้าๆเนี่ยมาทำไมกันเด็กอย่างเงี้ยนะแล้วก็เขามองเขาบอกแล้วก็กระจีจินตนาการนะแล้วก็มาดูโอ้อภาพพวกนี้เขาเกิดจากความเครียดของเขาก่อนที่เขาวาดภาพวาดอลไรเขาเครียดเขานั่นเนะ่ยเขาระบายออกมาระบายความรู้สึกของเขาเขาเก็บภาพไว้ประมาณเกือบห้าร้อยภาพ ตอนนี้ก็ไปสร้างที่ที่เฉพาะเก็บภาพเนี่ยใช้งบประมาณไปห้าสิบล้านยมคนนี้ก่อนที่เ็าจะตายเ้าชื่ออาจารย์ที่อยมถวันเขาถามให้ อ, อ้วนแล้วมึงจะเอาผ้าไอภาพบ้าๆนี้ไปเก็บไว้ที่ไหนเนี่ยแม้ตัวเขาเองก็ยังพูดอย่างนั้นเลยเนี่ยเขามาเขาตอนนี้เขาก็ต้องสร้างที่เก็บ เพราะต้องให้อุณหภูมิเหมาะสมเลวยถ้งเงั้นภาพจะเสียขนาดนั้นเน็กโอ้ชีวิตเราเนี่ยไม่แปลกใจนะอาสาทะาในโลกนี้มันเยอะจริงว่าทำไมสัตว์ถึงเพิดเพลินกันนะเนึ่ถึงไม่อยากออกจากวัฏจะกร็เพราะมันติดสิ่งที่น่ายินดีสิ่งที่น่าเพิดเพลินนะ สัตว์ทั้งหลายก็ไปอยู่ลําเพิดเพลินจินตนาการนะ่ะนะมันมีสิ่งสวยๆยงาๆสิ่งที่วิจิตบรนจงที่สัตว์ทั้งหลายไปติดมันอยู่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีกามาคุณที่วิจิตพิสดารอย่างนี้สัตว์โลกก็ไม่ติดเพราะมันมีจริงสัตว์โลกยังติดถ้าเราไปดูฝาผนังที่เขาทำแบบวิจิตบรนจงมาตั้งแต่โบราณมาเลยเนะี่ย ที่เขเขียนกันแสดงให้เห็นชัดจินตนาการความติดยึดเต็มไปหมดเลยเนี่ยไปหนะ้าที่ไหนเราจึงไม่จึงไม่มีเลยที่ไม่มีสัตว์เกิดอยู่เนี่ยไม่มีเลยนะแสดงว่ามันเพลิดเพลินกันจริงจริงนะนี่ทีนี้พระเจ้าบอกว่าเนี่ยสัตว์ทั้งหลา ย, ยมีอะไรมีความเพลิดเพลินมีอาสาท่ามีสิ่งที่ยินดีเพลิดเพลินอย่างเงี้ยการที่พระเจ้าจะมาปกให้สัตว์เหล่านี้ย เบื่อนายให้เห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้เพื่อจะถ่ายถอนเนี่ยง่ายหรือยากเนี่ยถึงยากไงตรงเนี้ยรพระเจ้าจึงท้อที่ว่าขนขวายน้อยพรหมต้องต้องมาลัทธินะว่าสัตว์ที่มีปัญญามีอยู่เนี่ยถ้าพระเจ้าไม่ไม่โปรดไม่แสดงธรรมเนี่ยสัตว์ที่จะได้ประโยชน์นี่เสียหายเลยพระเจ้าก็เลยมีมาหากรุณาธิคุณในการโปรดอย่างนี้เป็นต้นงั้นกําจัดความรู้ผิดกับการปฏิบัติผิด หก็คือว่าถ้าเข้าถึงสาระสาระจะผ่องแผ้วหรือไม่ก็ดูกําจัดความไม่รู้ความไม่รู้ก็คือการถึงพระรตนตาใจโดยการขัดปราศจากปัญญาก็คือไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจ 2. กําจัดความลังเลสงสัยในคุณของพระรตนตาใจประการที่3ก็คือมิจฉาญานนะไอความรู้ที่ผิดเนี่ยที่เรารับมาแบบผิดผิดมาทั้งหลาย เข้าใจคุณของพระเจ้าแบบผิดผิดมาเราแยกไม่ออกเลยนะมิจฉาญาะก็คือรู้ผิดเป็นนับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นของขังหรือการไปอ้อนวอนไปร้องขอเนี่ยไอ้ตรงนี้เป็การรู้ผิดเลยเราเรารู้ว่านึกว่าเป็นอย่างนั้นเวลาไปสวดมนต์ก็ไปร้องขอไปอ้อนวอนหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในในในบ้าน แล้วก็แยกไม่ออกระหว่างผู้วิเศษกับพระรัตนตรัยกับพระละหันแยกไม่ออกแต่เนี้ยวิวแยกออกอยังไยังผู้วิเศษกับพระลรหันต่างกันตรงไห น, นอา้าวผู้วิเศษกับพระลรหันต่างกันตรงไห น, น <c oughs> แยกไม่ออกเลยใช่ไหมเอาพระเทวทัตเป็นพระลรหันไหมพระเทวทัตเป็นพระรลรหันหรือไม่ เป็นพระอรหันต์ถูกเป็นดินสุบเด้ไงพระเทวทัตมีฤทธิ์ไหมนั่นแหะเขาเรียกผู้วิเศษแต่มีกิเลสอยู่ไหมเนี่ยเห็นไหมผู้วิเศษที่เราเห็นหมดโอ้ยคนคนนี้มีฤทธิ์มีทํานายทายทักได้อะไรได้รู้นู่นรู้นี้เนี่ยแต่ยังยังมีกิเลสอยู่อันนี้เขาเรียกผู้วิเศษไม่ใช่พระอรหันต์อาราธดาบทอุตกะดาบทกาลทิวินดาบทกลุ่มพวกนี้เป็นผู้วิเศษเท่านั้นแหละมีฤทธิ์พวกเนี้ยแต่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ยังมีราคะโทวสามโมหะอยู่ ใช่ไหมล่ะแยกให้ออกแล้วชา <c oughs> วบ้านทัวท่วๆไปบางคนก็มีคุณวิเศษอย่างนี้เยอะนะที่มีฤทธิ์เนี่ยเวลาพระเราก็เที่ยวหาผู้วิเศษกันดีแต่เนี้ยจริงไหมแมงพระองค์นี้เก่งเลยไปเลยรแต่เนี้ยใช่ไหมแล้วก็ อ, อกไปโอ้นี่คือผู้วิเศษแต่ไม่ใช่พระหัานนันเนี่ยแยกให้งงออกพระหลักฐานก็คือราคะโทสะโมหะ บางทีไม่ใช่วิเศษไม่ได้มีไม่ได้มีฤทธ์อะไรเลยบางทีบางทีไม่ได้เกี่ยวกับฤทธ์อะไรเลยฤทธ์เป็นของเสริมเท่านั้นเองมันก็แยกให้ออกนะเนี่ยเดี๋ยวไปไปมาแล้วการจะไปติดผู้วิเศษก็ให้ดเดี๋ยวนี้นี่แยกไม่ออกชาวพุทธแยกไม่ออกระหว่างผู้วิเศษกับพระล้าันธ์ใช่ไหมโอ้โหถ้ามีใครวิทพิเศษพิเศษขึ้นมาเนี่ยไปแล้วก็เราก็นึกว่าอ๋อเป็นพระล้านันธ์ก็เลยไปสำคัญไว้ท่านเป็นพระล้าน ใช่ไหมหลายๆคนนี้นึกว่าเออหลวงพ่อคูณเป็นบาราหารนี่ปลายใหญ่เลยไหมเนี่ย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ไปคนละเรื่องเลยเดี่ยนี้พ <c> อ <oughs> มีคุณสมบัติอะไรพิเศษพิเศษหน่อยโอ้ครั้งเดียวท่านนั้นแหละแต่นี้โอ้โหข่าวลือกันีนี้มงคลตื่นข่าวท่านไปยุทธยาที่ท่านเดินเดินเดินแล้วท่านเซไปเหยียบกองทรายยมะ <c oughs> ชาวบ้านวิ่งเอามา เอากระแผงกันมาคนละกระแผงกระแผงตักทรายเอาไปหมดเลยยอมซวยเลยทรายที่เขาจะเอามาไว้ก่อบสร้างบ้านสร้างแล้วหูกรอ ง, งใหญ่เลยหลวงพ่อคูณเดินลงรถท่านจะล้มท่านก็เดินไปเหยียบก็นี่ว่าหลวงพ่อคูณเสก <c oughs> ตักทรายกันไปหมดเอาไปโปรยข้าวบางังใส่โปรยที่บงังเอาไปอะไรเนี่ยพราะว่ามันจบเป็นของวิเศษไปท่านท่านเซไปเหยียบ นี่นบูเดือดร้อนไปขโมยก็ไม่รู้เรื่องด้วยเนะนะื้ยเป็นอาทิตย์นาทานด้วยเนะไม่สนไปแล้วกูแล้วกระแป้งวิ่งหมดเลยเจ้าของบ้านเครียดกินไายแล้วกองเบ้อเล่อเขาจะสร้างบ้านเขาไม่สนแล้วกูหลวงพ่อกวนเสงให้กูแล้วเอาแล้วอยู่คนก็แล้วกระไป น, นี่เป็นอย่างเนี้ คนเราจะบ้าขึ้นมาแล้วขนาดนั้นเลยนะ่ยเอาไม่อยู่แล้วขนาดท่านบวยจะตายอยู่โรงพยาบาลนี่เป็นรออยู่ข้างนอกเป็นพันท่านก็บอกกับกูยังเอาตัวไม่รอดแล้วกูจะช่วยพวกมึงได้ยังไงท่านพูดขนาดนั้นเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอีกท่านพูดกูก็ยังยากตัวกูไม่รอดแล้วกูจะช่วยพวกมึงยังไงกู ย, ยังยกอีไม้คอหัวไม่ขึ้นแล้วตอนนี้ ทรมานท่านจนตายเลยนะีแล้วก็บอกว่าเข้ารูปหลงพ่อคูณไว้แคว้งไว้ในรถในรถทั่วๆไปก็ก็ถามว่าหลวงพ่อช่วยได้ไหมช่วยอุบัติเหตุช่วยบอกถ้าขับเกินร้อยกูก็โดดหนีแล้ว ยอมอลองล้วยเราลองพกคูนไว้แขนไว้ถ้าขับเกินร้อยลองพกคูนโดดหนี <c oughs> ท่นพูดขนาดนั้นก็ยังไม่คิดกันนีถ้าขับเกินร้อยกูก็กรโดดหนีแล้วก็ไง <c oughs> คือกูก็กลัว <c oughs> ท่านว่าอยงนั้นเนีลยถ้าพูดท่านโทษขําดีสิอืม ก็เรื่องจริงเป็นอย่างนั้นถ้าร <c oughs> ้อย ก, กูก็กลัวแล้วเยอะ <c oughs> พวกก็เอาไปแฝงไปเต็มไปหมดแหละผลปรากฏประเทศไทยอุบัติเหตุมากที่สุด <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่สั้งใจดทูทีทุกคัน่มีของขั ง, งกงเก่งกงเก่งเต็มไปหมดห้อยเป็นอะไรไปทั้งใสทั้งอะไรก็ไม่รู้เยอะยะสังเกตดทูทีไปแต่ละวัดแต่ละวัดก็มีเนี่ยมุกแฝงหน้าหน้ารถเต็มไปหมดใช่ไหม ตามหิ้งพาตามแรงต่างพราเตะหมดนี่คือมคือการการรู้ผิดเนี่ยนะเป็นอย่างจริงจริงเนี่ยการเข้าใจผิดเนี่ยไปถือแบบขลังแล้วแล้วก็เข้าใจว่าการถึงสาระเนี่ยก็คือการเข้าไปอ้อนวอน พปโอนวอเหมือนกันท่านเม้งก็ถามว่าเออพระโพธิสัตว์เนี่ยของมหายานกับเทราวาตต่างกันยังไงการนับพวกเรานับถือพระโพธิสัตว์ไหมนับถือหรือไม่นับถือไม่นับถือพระโพธิสัตว์ไหมก็ต้องวอนนับถือใช่ไหมแล้วนับถื อ, อยังไงว่า อวโรติเกสวรกวนอิมโพทิสัตว์พัมมันชูสาพระมันชูสีภูวัชราปานีมันตพัดนี่ไหมของของมหายานเนี่ยเวลาเขาไปนับถือเขานับถื อ, อยังไงก็ต้องรู้เขาไปนับถือไปบูชาเขาเขาไปอ้อนวอนเขาถือว่าท่านพวกนี้มีฤทธิ์มีอนุภาพมีพันมือไหม มีมีพลังมีอำนาจมากสามารถจะดนบันดาลได้ตามที่ไปร้องขอใช่ไหมล่ะนี่ก็นับถืออย่างนี้นี่พระวิษณ์สัตว์ป่ายไมายานก็นับถืออย่างนี้นะแต่ของเราแหละนับถื อ, อยังไงเราไปดูท่านบำเพ็ญทานบารมีอย่างไรศีลเนคขมาปัญญาจนถึงอเวหาบารมีอย่างไรและเราก็เอาท่านมาเป็นแบบอย่างในการที่จะฝึกตนเองยามเจอปัญหาท่านกแก้ปัญหาอย่างไร ผ่ภาฝ่าฟันอุปสรรคอย่างไรพอเรามาเจอปัญหารเราโอ้นิดหน่อยเองให้สู้ได้มีกําลังใจฝึกใช่ไหมท่านให้ทานอย่างไรอะไรที่ผิดท่านก็บอกนี่มันผิดนะที่ท่านทําก็อย่าทําตามอะไรที่ทําถูกก็ทําตามท่านเราเอาท่านเป็นแบบอย่างเอาเป็นแบบฉบับเอาเป็นเป็นข้อฝึกเราใช่ไหมการนับถือพระพธธรรุทธศาสนาเรานับถืออย่างนี้แม้ท่านบําเพ็ญบรารมีจนเป็นพระพุทธเจ้าได้เราก็เลยเกิดกําลังใจแล้มั่นใจว่าเราก็ฝึกตนเองจะเป็นพุทธะ อย่างที่ท่านทําให้ได้เออเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปบอกว่าขอให้ท่านจงเอาฤทธิ์ของท่านมาช่วยข้าพเจ้าด้วยไม่ใช่อย่างนั้นแต่ด้วยการที่เราไปบูชาศรัทธาของเราเนี่ยนะศรัทธาของเราเวลาเข้าไประลึกถึงพระสรีรัคุณของท่านอย่างพรุทธเจ้านี้พระสรีรัคุณของท่าน่าาน ะ, านนะมีอยู่จริง อาการ32ใช่ไหมที่บอกว่ามหาปุริสารขนาดสามประการอนุพิชยานะแปเนี่ยมีอยู่จริงมาจากกาลังทานบารมีศีลเนคขมะอย่างมากมายอย่างอุกฤษจึงได้พระรูปอย่างนี้ได้พระนาราชอย่างนี้ได้พระเนตรอย่างนี้ได้พระนาสิกอย่างนี้ได้ลิมพระโอษอย่างนี้ได้พระทันตะอย่างนี้ได้ลิมพระสอย่างนี้ได้พระกันอย่างนี้ได้ไรพระโศกอย่างนี้ได้พระพาหาอย่างนี้ได้พระอุระอย่างนี้ได้พระชงอย่างนี้ได้พระนาขาอย่างเนี้ย สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ได้มาด้วยกําลังกุศลที่บําเพ็ญมาอย่างไรอย่างไรโอ้โหเยอะแยะมากเลยเราเอาศรัทธาไปเชื่อมั่นในพระสรีระคุณที่มาจากกรรมคือทานบารมีศีลบารมีมาจากกุศลแกรรมมาจากกายกรรมวจญกรรมมโนกรรมที่เป็นกุศลมาจากกรรมที่นําไปสู่การสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์ใช่ไหมพอไปกระทบถึงคุณของท่านที่มีอยู่จริงเอาความเชื่อมั่นเอาสติเอาสมาธิ เอาความเพียรเอาปัญญาไปรู้ไปเข้าใจเนี่ยจึงมีพลังมากก็ขนาดเชื่อในสิ่งที่ไม่มีมันยังสามารถช่วยได้เลยเช่นเอาความเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยที่ไม่มีอยู่จริงเลยนะพระเจ้าดนบันดาลเนี่ยมีจริงที่ไหนไม่ได้มีจริงหรอกเหเป็นเมคขึ้นมาทั้งนั้นแหละเมคขึ้นมาอุปโลกขึ้นมาทั้งนั้นเลเอาความเชื่อไปเชื่อไว้ในสิ่งที่ไม่มีจริง ไอตัวศรัท ธ, ธายังคุ้มครองกระแสชีวิตคนนั้นได้เลยทีนี้เราศรัท ธ, ธาของเราไปเชื่อในสิ่งที่มีจริงมีคุณจริงๆถามว่ายิ่งใหญ่ขนาดไห น, นก็มีพลังจริงๆเพราะเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องเชื่อในปัญญาเชื่อด้วยความรู้เชื่อด้วยความเข้าใจจึงมีอนุภาพมากจะมีผลมากจะมีพลังมากเข้าใจะยิง่งมันถึงต่างกันเนี่ยเราเอาความเชื่อไปเชื่อไว้ก้อนดินนีมีก้อนดินก้อนหนึ่ง แล้วเอาความเชื่อไปเชื่อว่ามีเทพเจ้าสิงอยู่ในจอมปวกนี้แล้วเราก็เอาผ้าสามสีแปดสีไปพันเนี่ยนะแล้วไปบูชามันยังได้ผลเลยอ่ะนี่ขนาดก้อนดินแท้ๆนี่แหละแลัวก็จะเพราะเราเชื่อแล้วเนี่ยมองเห็นไหมนี่เราลองไปเชื่อในสิ่งที่มีจริงมีคุณจริงๆมีตัวตนจริงๆมีทานบา ร, รมีจริงๆศีลบา ร, รมีเนคขมาปัญญา วิทยขันติสัจจะอธิษฐานนเมตตาลเลวีขาจริงๆแล้วเราเอาความเชื่อไปกระทบคุณที่มีจริงมหาสารไหมนี่เป็นอย่างนี้ในวพวกเราเนี่ยบอกว่าพระพุทธเจ้าต้งบอกว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดภัยคุกคามแล้วก็ไปเชื่อต้นไม้บ้างภูเขาบ้างดวงจันทร์ดวงอาทิตย์บ้างว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกัำจัดภยัพยพระเจ้าบอกว่าการเชื่ออย่างนั้นเนี่ยนะมีผลน้อย ไม่ใช่ที่พึ่งเงินกเกษมไม่ใช่ที่พึ่งเงินปลาเนตรและสูงสุดอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยเขาได้ความอุ่นใจไหมสามารถแก้ปัญหาเขาได้เป็นแค่ปัญหาพื้นฐานได้ไหมได้แต่ไม่เป็นปัจจัยเก่ับความพ้นทุกข์ไม่กเกษมแต่ถ้าคุณเอาความเชื่อมาเชื่อไว้พุ ท, พทธธรรมสังฆะแล้วก็เรียนรู้อริยสัจปฏิบัติตามอริยสัจสิแล้วคุณจะได้สารณนะโลกุตระสารณะคมและคุณจะพ้นจากกิเลสและกองทุกข เพราะอันนี้เป็นที่พึ่งกันกเกษมนี่คือที่พึ่งกันสูงสุดเพราะเมื่อมาอาศัยสารณะเหล่านี้แล้วจะพ้นจากมหันตทุกข์ได้นี่ขนาดนั้นนะเห็นไหมว่าความเชื่อของเราเพราะเราเชื่อในสิ่งที่ถูกแล้วมีอยู่จริงมีคุณจริงแล้วก็คุณมหาศาลจริงๆแล้วความเชื่อของเราไม่เลื่อนลอยด้วยไม่ฟั่นเฟือนไม่เลื่อนเลอะด้วยเป็นความเชื่อที่ปักแน่นในสิ่งที่มีคุณจริงๆด้วยนั่นจึงมีอานิสงส์ที่ต่างกันมากใช่ไหมแต่ปัญหาคนชี้แจงตรงนี้ไม่ได้ ใช่ไหมคนก็เลยเอาและมาหาหลวงพ่อตอนนี้ลูกไม่ค่อยสบายเอ า, เอาเอาเหรียญไปเอาไปคล้องคองไว้ <c oughs> เหรียญรูปของอะไร <c oughs> อ่าที่อะไเป็นรูปพระพุทธเจ้ายังอยู่ไหมโอ้ยังยังยั ง, ยงวนว น, วนอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่ยังมีรูปพระพุทธเจ้าอยู่เอาแล้วยังไม่หลุดยังไม่หลุดไปหาหลวงพ่อเมง้ง <c oughs> เ, เอาเหรียญไปเหรียญอะไร พระศิวาอาหลุดแล้วเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยไม่ใช่พระรูปพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยใช่ไหมมันมีการดึงขึ้นกับดึงลงเนี่ยนี้ดึงลงซะแล้วเนี่ยเราพยายามจะดึงขึ้นใช่ไหมพุทธศาสนาสอนให้ดึงขึ้นก็ยังไงยังไงก็มีรูปพระพุทธเจ้าไว้ก่อนแล้วได้ไปศึกษาต่อนะว่างั้นแต่ไปไม่รอดได้แค่เหรียญได้แค่เหรียญของพระพุทธเจ้าแขวนคอไว้ไปเลยวเดีนี้เข้าไม่ถึงสารณะสักที พอมีอะไรขึ้นมาก็อ้อนวอนขอให้พระพุทธเจ้าช่วยเนี่ยก็ยังวนๆอยู่ใช่ไหมยังไม่หลุดนะเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นตะกรุดขึ้นมาอัย น, นี่ชักยุ่งเลยนะนี่ชักยุ่งแล้เปลี่ยนเป็นแกจิกขึ้นมาก็ยุ่งอะไรเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้มองเห็นที่ยามามั่แต่เนี้ยคือที่แรกจริงๆก็เป็นอุบายนี่แหละเป็นอุบายว่าทำยังไงนาเนี่ยมันเยอะจัดเนะ่ย คนไม่รู้มันมาเยอะมากเน่ยถ้าอธิบายก็คอแตกเลยนะใช่ไหมอธิบายคนนี้พอเข้าใจแล้วคนนี้ก็แค่เข้าใจอะ่ะแต่มันต่อไม่ได้อธิบายต่อไม่ได้เพราะตัวเองก็เอาตัวจะไม่รอดอยู่แล้วใช่ไหมแค่ให้เข้าใจก่อนนะคนเนี้ยแค่ตัวเองให้เข้าใจก่อนเนะมาอีกแล้วเมื่อกี้มาหนึ่งแล้วนี่มาห้าแล้ ว, ลวเดี๋ยวนี้ยต้องอธิบายข้ารอบทีนี้มาอีกสิบคอแตกไหม แตกเลยตอนนี้เรียบร้อยไม่ไหวกระบวนการศึกษามันมันล้มเหลวอ่ะล้มเหลวแล้วยากไหมล่ะฉันพูดเรื่องสา ร, ระคอมมาตั้งหลายสิบปีแล้วนะเนี่ยได้แค่นี้แหละเนี่ยได้แค่นี้ได้แค่นี้ก็ยังอ่อนแออยู่เลยเนี่ <c oughs> เห็นไหมว่ามิดฉาประวัติ การถึงตรายสถานะคมด้วยการปฏิบัติผิดอันนี้เป็นปฏิบัติผิดจากพุทธโอวาอันแรกรู้ผิดก่อนนะพอรู้ผิดเนี่ยมาจากมิจฉาญานะจะไม่ไปเข้าใจผิดปุ๊บพราปฏิบัติออกไปในนี้ผิดแล้วผิดจากพุทธโอวาสแล้วพุทธโอวาให้ทําอย่างนี้ก็ออกไปอย่างนี้เอาอย่างยกตัวอย่างเช่นทุกวันเนี่ยเข้าไปในวัดมีพระเจดีย์มีพระพุทธรูปใช่ไหมมีต้นโพมีต้นสาระแต่ก่อนมีอ่ะ พอมาระยะหลังทางการก็บอกให้ตัดต้นไม้ออกกัต้นโพต้นสาระโดนตัดออกจิงโดนตัดออกจากวัดเกลี้ยงเลยในยุคจอมพลปอจอมพลสลิดจอมพลปอนีตอนนน่ตอนนั้นก็มีนโยบายก็คือว่าทำลายป่านี่ก็บอกว่าต้องการอยากจะทำให้เจริญว่างั้นเถอะ เน่ยก็คือเขามองว่าแต่ก่อนเนต้นไม้มีมากมันไม่ค่อยดีต้องปลูกเป็นตึกเป็นคอนกรีตขึ้นมาก็เลยสร้างไปไม้พุทธประวัติโดนตัดเกลี้ยงเลยในี้ในยุคนั้ น, นตามวัดวารามต่างๆตอนเด็กๆยังเห็นอยู่เลยนะเขานะเขาจะว่าสั่งตัดต้นโพธิ์แล้วเยอะหมดเลยในนี้เกลี่ยงเลยในยยนี้ตอนนี้เป็นเข้าไปในวัดนี่ร้อดมากนี่นะไม่รู้ปฏิบัติพิถพิุทธโอวา อพอปลูกไอ้อุโบสถวิหารมีพระพุทธรูปในใหม่คนก็ไปกราบไปไหว้กันใช่ไหมไปๆมาๆเนี่ไปไปไปเนี่ยกระตุ้นเรื่องศักดิ์สิทธิ์พอกระตุ้นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องมีอายุมากเป็นสถาปัตยกรรมขึ้นมาโอโหพุทธศินมาศึกษามีอายุมากมีการตั้งราคาขึ้นมาตอนนี้ โอ้โห oh, ลูกกงขนาดแขนเลยเดนี่เอาแล้วเปิดโบสถ์ไม่ได้เลยเดนี้โดนตัดโดนลักโดนขโมยแทนที่จะไปบอกเห็นไหมการนับถือแบบผิดเนี่ยมันมีโทษเลยนะถ้าจริงๆแล้วต้องเปิดเปิดได้ตลอดยีิบสี่ชั่วโมงก็ยิ่งดีใช่มหมเท่าวันนี้จะห้าหกโมงเย็นไปไปในวัดไม่ได้ก็ต้องปิดกุญแจแล้วเข้าไปไหว้ไม่ได้แต่ก่อนกลางค่ากลางคืนนี่โยมก็เข้าวัดไปไหว้พุทธเจ้าไปไ่าว้พุทธเจ้ากัน ก็ไปบูชาเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วพราะไปโปรโมทเรื่องศักดิ์สิทธิ์กันขึ้นมาแล้วก็ยังไม่รู้อีกถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงไงนะศักดิ์สิทธิ์จริงเนะท่านก็ต้องใครก็ไปรักท่านไม่ได้ของกันใช่ไหมไปบูชาโอ้โหเข้าไปบูชากันไปขออะไรกันเยอะหมดแล้วไปไปมาพอตอนเย็นก็ดิบล็อกล็อกใส่กุญแจก็ยังไม่เข้าใจกันอีกว่าทําไมตัวท่านต้องล็อก เพราะท่านก็ท่านก็กลัวขโมยยช่ไหเราก็ยังไม่เข้าใจกันอีกนะเนี่ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้หมดเวลาแล้วต้องรีบล็อกล็อกทำไมล่ะก็ช่วยคนอื่นต้งเยอะแยะใช่ไหมทำไมท่านไม่ค้มก้องตัวเองยังมีพูดหนักไว้วะริงไม่ริงก็คนก็คิดไม่ออกอีกไปแล้วก็ไปขอขอกันยัง จะขอเมื่อกี่รอบแล้วยอมลัศดาหลายรอบเลย <c oughs> มีผู้อย่างนี้มียอมคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไปขอลูกจากหลวงพ่อสุดทอนเนี่ยเขาก็ได้มาได้ท่านเยาวัางนี่เจออย่างนี้สองลายเลยเนี่ยเขาได้จริงเจอสองลายอีกคนหนึ่งขอได้ขอได้ผู้หญิงทั้งคู่เลยขอจากหลวงพ่อสุดทน <c oughs> อนอาจจะทํำยังไงอ่ะ <c oughs> ยอมแหม่มเคยไปขอไหม เคยไปขอลูกไหมไม่เคยนะขอใครขอที hay, ่ไหน อ๋อไปขออยากจะแม่ลิ้มก็อ น, นี้อ๋ อ, อไปขอมานี่คือตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่มาจากความไม่รู้เนี่ยนะมิจฉาประวัติคือปฏิบัติผิดก็คือไปขอ คือตรงนี้คำว่ากรรมสกตากรรมสกตาปัญญาเนี่ยปัญญาที่เข้าไปรู้เหตุผลเรื่องกรรมมันอยู่ที่ว่าปัญญาแค่ไหนความรู้ความเข้าใจแค่ไหนเรื่องเหตุเรื่องผลตรงนี้แหละมันขัดหลักตรงนี้การที่เราไปขอในสิ่งที่ทีนี้จริงๆได้จริงไหมต้องไปดูเอาไปขอแล้วได้ก็มีไม่ใช่ไม่มีก็เหมือนที่ เหมือนที่พระราชาไม่มีลูกต่อมาเพื่อนของพระราชาเนี่ยก็ทุกใจต่อมาก็ที่ว่าไปขอกะต้นไทรขอเทวดาที่ต้นไทรแล้วก็ได้ลูกมาจริงๆก่อนที่จะไปขอที่ต้นไทรก็ไปเห็นคนจนอุ้มสองจุงห้าเจ็ดคน <laughs> ถามโอโ้โหคือเขาเครียดมากเขาต้องต้องเพื่อนกันเนี่ยอามาตยก็ไม่มีลูก พระราชาก็ไม่มีลูกจะสืบทอดตระกูลก็จะเป็นในตระกูลจะล้างนี่แหละจะไม่มีคนสืบทอดพระราชาำนาจะถ้าติกองก็แก่ตัวลงก็เลยนัดกันว่าใครก็ได้ถ้ามีลูกจะเป็นอัหมาที่เป็นเพื่อนหรือเป็นตนเองเนี่ยที่ว่าถ้ามีลูกมาก็จะให้สืบทอดราชบัลลังก์ก็นี่แหละกังวลกันแต่เรื่องนี้นี่อมาทก็ไปไปไป ไปออกตรวจการนี่แหละก็ไปเห็นคนจนเนี่ยอุ้มสองนี่แหละจูงห้านี่แหละถามว่าโอ้โหทำไมมีลูกเยอะยังไงไปขอที่ไหนมาทํายังไงอนนี้ก็คนจนนี่ก็เหลียวซ้ายแลขวาก็ชี้ไปเนี่ยต้นไทรนี่เลนี่ต้นไทรใหญ่นี่โอ้โหเครียดเลยนึกใจโอ้โหให้คนจนตั้งเจ็ดม่้เรา เป็นคนทําบุญทํากุศลปกครองบ้านเมืองเป็นทั้งอามัพระราชาของเรานี่ทําไมไม่ได้ก็ตรงแนวก็ไปตรงต้นสายใหญ่ก็ไปตะโกนบอกเทวดาโอ้โหกไ็ไรอยู่เลยบ้านเมืองนี้จะไม่มีคนสืบทอดราชอำนาจแล้วทําไมมันเนิ่งดูได้อยู่ได้เนี่ยนั้นต่อไปขอให้พระราชามีลูกนะให้เวลาเจ็ดวัน ถ้าเจ็ดวันเนี่ยไม่ยอมมาเอาลูกมาให้หรือทามีมิดหมายให้มีลูกเนี่ยจะให้ทหารมาตัดแล้วเผาให้เกลี้ยงเลยนี่ให้เวลาเจ็ดวันใช่ไหมกกพอพูดอย่างนี้เบเสร็จปุ๊บก็กลับโกรธกันไปพอวันที่ผ่านไปวันหนึ่งมาใหม่ผ่านไปหนึ่งวันแล้วนะเหลืออีกหกเตือนอย่างงี้นะ เอาจิงเลยงานนี้ผ่านไปสามวันผ่านไปสี่วันไม่มีวี่แววเลยก็ว่าเล่นแน่งานนี้จะเผาให้เกลี้ยงเลยพอวันที่หกมาแล้วทีนี้เหลืออีกวันเดียวพอวันที่เจ็ดกะจะมาเผาในเทวดาอยู่ไม่ได้ออกมาเลยเทวดาจริงไปปรึกษาคนตั้งเยอะแยะปรึกษายัางไงใครก็ไม่อยากมาใครก็ไม่อยากมาไปไปมาก็ไปปรึก เข้าไปเฝ้าเท้าส ก, กาเท้าส ก, กาก็ถาเทวดาที่จะตายอ่มี้ไหมมีเทวดาที่จะตายอยู่สี่คนเนี่ยบอกว่าเขาไม่อยากมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยบอกให้ไปช่วยหน่อยเถอะเขาก็เลยเทวดาสี่ตนสี่ท่านนี้ก็ต่อรองมาเกิดให้ได้นะแต่เขาถ้าเขามาเกิดเสร็จแล้วเนี่ยเขาเห็นสัญลักษณ์ของนักบวชปุ๊บเขาบวชกันเลยนะเพราะงั้น อ, าอ้าวยังไงก็แก้ขัดไปก่อนแต่ไม่ไปเกิดกับ พระราชาเนะี่ยเกิดกอาหมาดได้เพราะอะไรรู้ไหมพระราชากุศลไม่ถึงไม่พออาหมาดเนี่ยเ้าเคยทำบุญเกี่ยวพันกันมาไงทำมาเกิดเกิดตรงนี้ได้แต่ก็มีข้อแม่อีกมาเกิดเสร็จแล้วเนี่ยพวกเโตจําความได้พอเป็นหนุ่มแล้วเขาจะบวชเขาไม่อยากอยู่ไม่ปลอดภัยพอมาเทวดาก็ออกมาก็มาคุยอาหมาดเนี่ยบอกว่ามาสี่คนเลยเป็นเป็นผู้ชาย แต่มีข้อแม้ว่ากับพระราชาไม่ได้ต้องมาเกิดต่อรองว่าทำไมไปเกิดพระราชาสองเราสองได้ ไ, ม, ไม่ได้กับท่า น, นได้เห็นไหมเพราะอะไรรู้ไหมกําลังกุศลไม่มีมันก็ไม่ได้มันไม่ใช่อยู่ที่ขอหรือไม่ขอด้วยมันอยู่ที่กําลังกุศลและเจใจจํานวนและความจงใจและตั้งใจแล้วกุศลมันได้กําลังเพียงพอนั้นมันก็ได้แล้วเทวดาก็ต้องไปขอร้องกันเนี่ยไปไ ป, ไปมาก็บอกเอาอยัางไงก็เอาแล้วทั้งนั้นนะ ปีละคนมาเลยปุ๊บปุ๊ปุ๊๊ปีละคนละคนพอคลอดปุ๊บคนแรกก็ปรึกษากับพระราชาพระราชาบอกไม่ได้แล้วไล่นักบวชออกในเมืองให้หมดไม่เห็นแค่นี้ก็สิ้นเรื่องใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเอาไปอยู่กับคนเลี้ยงช้างจะได้หยาบหยาบหน่อย <laughs> เอาไปอยู่กับคนเลี้ยงมากเนี่ยนะไล่ไปเงี้ยให้ไปอยู่ ก, กับกลุ่มนักเลงนักเลงอ่ะ มันจะได้จิตใจกะขะจิตใจโหดๆเที่ยมๆหน่อยว่างั้นเถอะเนี่ยทำจนโตเลยอ่ะทีนี้พอพอลูกโตแล้วก็อีอ่ะเดี๋ยวพวกเราทดลองหน่อยมันเป็นคนโหดกันทังไงแล้วพวกเนี้ยไปไปมาก็เลยเสียแสงแ้งแกล้งปลอมกายเป็นนักบวชไปไงเข้าไปโอ้โหพอเห็นนักบวชแค่นั้นมันกลับตัวทันทีอธัธยาศัยก็แรงนี่เขา เขาก็เลยไปเล่าให้ฟังไม่ใช่นะักบวชจริงนี่คือพ่อเลยเล่าเล่าแ ล, าลาบอกเหตุบอกอะไรต่างๆเบอกถึงไม่จริงเขาก็บวช <c oughs> เรียบร้อยอย่างเงี้ยทั้งสี่คนออาบวชหมดเนี่ยบวชในเรื่องเคยมีเกิดมาแล้วขอได้จริงถ้ามีกุศลเพียงพอกับการขอแต่ไม่ใช่หลวงพ่อสวดทรพระราจะทานให้ <c oughs> พุจธาบาลินิพผ่านไปแล้วแต่เทวดาที่เฝ้าที่ดูแลหลวงพ่อ นั่นเลต้องอธิบายโยมนี่ก็าฟังโยมก็บออ๋อเข้าใจแนละ้ทั้งนั้นยอมเพราะอธิบายแบบนี้โยมก็มาค้านว่าบอโยอมนี่ขอมาได้เขาบอกอ๋อโยอมนี่เป็นเทวดาเห็นไหมถ้าไม่เข้าใจจะอธิบายเขาฟังได้ไหมเนี่ยว่ามันเป็นเทวดาใช่ไหมเป็นกําลังบุญของโยมเขาแต่คนก็ไปเข้าใจผิดว่าเป็นหลวงพ่อโสธรให้ลูกที่หลวงพ่อจะไปให้ลูกไงพุทธญาณบริญญานิพพานไปแล้วคนละเรื่อง ยังไม่ขอท่านนายอย่างเงี้ยขอโลกเงี้ยท่านนะแเละเข้าใจอย่างว่าจริงๆริงบางทีมาจากเทวดามาอย่างเงี้ยบางเพล่เพิงที่ไม่ใช่เทวดาเป็นอสุรกายก็ได้เปรตก็ได้ใช่ไหมมาจากตั้งหลายภพภูมิเขาหมดกำลังกรรมบาปของเขาเขามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้นี่คือการปฏิบัติผิด ทีนี้พอปฏิบัติผิดมันก็มาข้อสุดท้ายเลยอนาธาระก็การถือตะไรสนธคมแบบไม่เอื้อเฟือต่อพระรัตนตัยมันก็เลยการเป็นเคารพแบบไม่จริงจังอะไรเลยเดยเนี้ยอนาธระถ้าอาธาระเนี่ยแปลว่าเคารพแบบจริงจังใช่ไหมเคารพแบบอื้อเฟื้อถ้านาธระก็คือเคารพแบบไม่จริงจังเคารพแบบไม่จริงจังก็คือมันมาจากการที่ไปเชื่อว่าขังไปเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ไปเชื่อว่าอ้อนวอนขอได้มันก็เลยเคารพแบบแค่จะอ้อนวอนร้องขอ แทนที่จะเคารพแล้วตนเองจะได้ไประโยชน์จากการศึกษาเข้าไปสู่ศีลสมาธิปัญญามไม่ได้เลยแต่นี้นักเข้านักเข้าก็เลยไปกันอย่างนี้แหละไปถึงก็เอาอะไรไปบนกันแบเอลิเกไปบนกันเอานางลาไปบนกันเอาไข่ไปบนกันใช่ไหมเอาปลาตะเพียนอะไรต่างๆไปบนกันเอาตุ๊กตาตูนไปบนกันเนี่ยนะเอาเสื้อผ้าไปแขวนกันเต็มไปหมดเลยแต่นี้ระยงระยายเต็มไปหมดเลยเพอหลังมามันก็งงนะมันก็งงไอ้นี่ทำไมชาวพุทธทำอะไรแปลกๆไปด้วยเนี่ย เดีวก็ลัมกันอยู่ได้หลยลัมกันอยู่นไน้หละเข้าไปก็ไปจ้างนางลําแล้วก็มีจํากัดว่าถ้าถ้าที่เนี่ยต้องบนไข่กี่ฟองโอ้โหยุ่งเลยที่นี่ถ้าที่นี่ต้องบนไก่บนหมูบนอะไรโอ้โบนที่นี่มันมันอยู่ตรงไอหนเนี้ยเหตุผลก็คือเหตุ เหตุผลก็เพราะไอ้คนเฝ้าเนี่ยใช่ไหมไอ้คนทําพิธีนี่แหละใช่ไหมล่ะก็เหมือนกับพวกพวกพวกพราหมณ์ก็เหมือนกันก็เป็นเจ้าพิธีมันเป็นผลประโยชน์อย่างมือมาเลยนะไอ้พวกจัดทําพิธีมาเครื่องเส้นทั้งหลายเลยนี่พวกนี้ก็ต้องไปจ่ายเงินให้นี้มันก็ได้เงินพอได้เงินมันก็จัดการเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ใช่ไหมล่ะพุทธเจ้า แต่ก่อนพุทธเจ้าเนี่ยกลัวจะหักล้างคําสอนของศาสน า, าพราหมณ์และฮินดูเนี่ยเล่นสล่มสลายเลยในยุคพุทธเจ้าบัตรเกิดขึ้นมาพอพุทธศาสนาบัตรเกิดขึ้นมาแต่นี้พระเป็นรมพิธีซะเองมันเป็นผลประโยชน์อีกเหมือนกันใช่ไหมเป็นผลประโยชน์นะอย่าลืมเนะนี่ยตรวนี้งานทำพิธีกรรมทั้งหลายเลย่านี้งานศพงานบวชงานแต่งงานอะไรเป็นพิธีหมดเลยจริงไหมจริงมาไปวันนี้ไปเผา วัดเทพสอบได้เท่าไหร่มีห้าร้อยไปเผาได้ไหมได้ไหมไปวัดเทพสลินเผาห้าร้อยบาทเผาได้ไหมเผานุข้อได้ไหมคนจนตายไม่ได้ไมันวงยิ่งแพงอย่างแพงแพงมาก เนี่ยมันกลายเป็นแบบนี้ไปจริงไหมเนี่ยไปไปมาก็กลายเป็นเพระพุทธเจ้าเคยเคยเคยจัดการพรามเนี่ยหมดเลยในเรื่องพิธีกรรมเนี่ยแล้วต่อมาเนี่ยลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทาซะเองเลยตอนนี้นี่เป็นเรื่องเอาอุทิศส่วนกุศลกันหน่อย